ถึงเราในทางที่ลบเราก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่ชอบในนั้นเลยเพราะที่หนึ่เราจะปฏิบัติคือทราบวันนี้ผูาจารให้คําแนะนำที่เป็นพื้นฐานแล้วว่าต้องมคิดอยู่ทำให้เราหนีไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจอคนพูดภาษาทั้คนไทยอย่างนี้ค่ะไม่อยากไม่อยากจะอันนั้นมันไไ ม, ไม่ไม่สำคัญแต่ว่า<จ>เราทุกข์ลง ทำไม่อยากเจอเขาไม่เท่าไหร่แต่เราทุกข์ด้วยเราไม่อยากดิ้นขายเราก็ไม่อยากจะไม่อยากจะกจเสวนาไม่อยากจะติดต่อแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นมนุษยสัตว์สังคมจะต้องพึ่งพาแต่ซึ่งกันและกันเราก็คิดว่าเราคิดว่าเราทำดีแล้วนะสงสัยโยทำดีไม่พอหรือเปล่าคือทําดีแค่ไหนก็มีคนดินทาเพราะว่าแม้แต่พืะเจ้าเนี่ยยังถูกคนดินทาว่าร้ายถึงขั้นเอาชีวิตใช่ไหม เพน้เวลาเราทำดีแล้วไปทุกข์ว่าทำไมคนไม่เห็นความดีของเราทำไมคนรินทาว่าร้ายเราเนี่ยนี่ธรมธรมดาอาไม่มีใครที่ไม่ถูกริมทาในโลกนี้แล้วเราจะมีจุดยืนยังไงคะก็ยังรักยังก็คือเราไม่ปล่อยให้เราต้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์ก่อนอย่างแรกนะใครทำอะไรเราเนี่ยเราสิ่งที่เราควรทำคือรักษาใจเราไม่ให้ทุกข์ และ 2. ถ้าเราทำได้บางการ น, นั้นเนี่ยหาประโยชน์จากสิ่งที่เขาพูดมีเศรษฐีคนนึงนะเป็นเจ้าของเมืองโบอราณรู้จักเมืองโบอราณใช่ไหมคุณเล็กวิเียพันที่บอกนะวั น, น, ไ, น, ว น, น, น, น ไ, ไ ห, น ไ, ห น, น, นไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลเข้าใจมวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลก็คือว่าวันไหนถูกตําหนิวันนั้นเป็นมงคลเพราะว่าคําตําหนิมีประโยชน์ใช่ทําให้ได้เห็นว่าเรามีข้อผิดพลาดอย่หงาบ้างทําให้เราลดอัตราตัวตนใช่ไ คือคำตำหนีเนี่ยนะหนึ่งทำให้เราเห็นตัวเราเองเพราะว่าบางทีเรามองไม่เห็นข้อบกพร่องของเราใช่ไหมแล้กร่ทั่งคนที่เป็นศัตรูเนี่ยบางทีเขาอาจจะมองเห็นข้อบกพร่องของเราแล้วเขาเอาจุดนั้นเนี่ยมาว่าเราถ้าเรามองเป็นเราก็เห็นประโยชน์ว่าเออเรามีจุดอ่อนอย่างไรข้อที่สองเนี่ยมันทำให้เห็นเห็นตัวเขา ทำให้เรารู้จักเขาดีขึ้นว่าเขาเป็นคนยังไงคนเราเนี่ยจะรู้จักใครเนี่ยจะดูจากคำชมไม่ชัดนะต้องดูจากคำด่าใช่ไหมใช่ไหมเวลารู้จักใครเนี่ยรู้จักเขาดีเนี่ยต้องรู้จักจากคาด่าว่าเขาเาาไหวเาเขายังไงเขาตอบเขาถ้าเขาเาว่าแบบมีเหตุผลเออผนี่น่าครบรก็ตรา่ว่าเขไวบาถ้าเขาเว่าแบบมีเหุมีผลเออนี่นาครบก็ตด่ว่างาาสาวเหวงา้า อย่างที่พระเจ้าบอกว่าการไม่คบคนพาลเนี่ยเป็นมงคลั น, นสูงสุ ด, ดใช่ไม่ไมคนมงคนเนี่ยเขาเอ่ยปากด่าเราก็รู้แล้วเขาเป็นคนพาลแล้วก็เออเราก็รู้ว่าเขาไม่ไ ม, ไม่น่าคบนานก็คือรู้จักเขาเนี่ยถ้าเข า, ถ, า, เขาถ้าเขาชมเราเขาประจบเราเราไม่รู้จักเขาใช่มตัวเต็มตัวตนที่แท้เออใช่คนที่ประจบเราเนี่ยเราไม่มีทางรู้จักเขาเลยคนที่ชมเราก็ไม่แน่ใจว่าเรารู้จักเขาดีไหมแต่เขาจะเผยตัวตนมาเนี่ยเมื่อเขาเมื่อเขา ตำหนิหรือต่อว่าเรือไม่พอใจอ่าถ้าก็ตำหนิอย่างถูกต้องเนี่ยน้อง <No. S 1> คือ ค, คนบางคนพ อ, พอเ อ, อ่ยปากตำหนิเราก็รู้ว่าเขาคือบัณฑิตก็ <c oughs> คือบัณฑิต <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่คนบางคนเนี่ยพูดออกมาเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนค้ามเราก็รู้เราก็ไ ด, ได้ได้กำไรคือเรารู้ว่าเขาเป็นคนยางไข้อ <c oughs> ที่สมเนี่ยประโยชน์คาตำหนิคือว่ามันทาให้เราได้รู้จักเข้าใจเรื่องความจริงของชีวิตว่าร่มเป็ น, นยงง เเรียกโลกฐามแโลกกฐามแปก็คือว่ามีสารเสพติมีนุนพานคนบางคนเนี่ยอยู่ในอยู่ในท่ากลางคนแวดล้อมคนเชิดเิรนเิคนเชิดูสารเสรติญก็เาก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารเสริญเนี่ยมันคู่กับนุ่นพางจำที่อจาเล่าหลวงพ่อหลวงพ่อทองรัตน์ได้ไหหลวงพ่อทองรัตน์ที่บินธบุรีเป็นคนใส่บัตรสุนเทะหลวงพ่อเนี่ย ถ้าไม่โกรธคนเขาด่าว่าท่านอย่างแรงท่านยังไม่โกรธแล้วท่านยังเอาเอามาใช้ประโยชน์ได้เอามาสอนเนยแล้วเนี่ยนี่อามาลึตธรรมเชวดาข้อสอนเราเรื่องโลกธรรมนะท่านบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนได้ยินแต่คําว่าโลกธรรมแปดวันนี้เห็นวันนี้เออเห็นจริงๆเลยเนะแล้วก็บอกให้เนยเนี่ยให้เนยเก็บเอาไว้ใต้ฐานพระอ่าคือมันก็ทําอะไรเห็นนะว่าเออเนี่ยมันเตือนเราให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ ธรรมดาของโลกโลกธรรมอาตอมาเนี่ยนะอยวจะเปรียบําตาหนินะมือนกัลูกทุเรียนเมื่อวานนี้กพูดเรื่องทุเรียนใช่ทุเรียนนี่นะน้ำมันขมใช่มถ้าเราโดนน้าทุเรียนแทงแล้วเอกเจ็บแล้วเราทิ้งทุเรียนไปเราฉลาดนะไม่ได้กินทรอใช่ <laughs> เราต้องร <laughs> ู้จ <laughs> ักเชาะฉีเปลือกออก และเก็บเอาเนื้อคนบางคนเนี่ยนะ <c oughs> เขาไม่ชอบเรา <c oughs> เขาโยนทุเรียนเราต้องหลบเราอยากน่ารักแต่บางคนนับน้ารักนะ <c oughs> เขาว่ากู <c oughs> เขาว่ากูบางทีเขาด่าว่าดา่าเป็นหมูเป็นหมาเราก็ไปรับสมัครว่าเราเป็นหมูเป็นหมาเราถึงโกรธเนี่ยหลวงพ่อชาบอกว่าเนี่ย เวลาใครว่าเราเนี่ยก่อนที่จะโกรธเนี่ยคลากล้นตัวเองก่อนว่ามีหางงอกหรอือเปล่าถ้ามีหางงอกถึงค่อยโกรธเขาแต่ถ้าไม่มีหางงอกจะโกรธทําไมเพราะว่าเขาว่าเราปเป็นหมาเราก็ยังเป็นคนอยู่นั่นไ อ, <c oughs> อันที่หนึ่งเนี่ยเวลาใครใครคว่างคว่างทุเรียนใส่เราเราต้องหลบเ <c oughs> มื่อหลบแล้วเนี่ยเราทําไรกับทุเรียนนั้นเอาทุเรียนคว้างกลับหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ใช่ไหมมีส <c oughs> อง <c oughs> แต่ทําไมเวลาคนด่าเรา <c oughs> เราถึง อยากจะดากรับใช่ไหมเราต้องเราต้องหลบนะมีหล่มพ่อคนหนึ่งนะหลวงพ่อหลวงพ่อประสิทธิ์ทาวโรวัดทําใหญ่เปรกกอร่อสีชังทรรมรณนาภาไปแล้วนะถ้าไปลื้อฟื้นวัดทําใหญ่เปรกซึ่งเป็นวัดรา้างกาะสีชังเมื่อ30มสิี่ปก่อนมันเป็น ท, ที่ท่องเที่ยว สมัยนั้นพัทยามีห็นรู้จักนะชอบมาเที่ยวบางแสรหรือไม่ก็ก่อสีชังอันนี้พอท่านมาลือฟื้นเนี่ยนักเรียนท้องนักเรียนท้องถิ่นก็ไม่พอใจอยา่จะฮุบที่วะก็อาทางเล่นงานท่านด่าว่ า, าทา่านแกล้งพระบางทีพระบินฑบายอยู่เดินชนบาตรตกเลยนะ ท่านก็ทีแรกไม่อยากสู้ไม่อยากสู้แล้วกับมือคนพวกนี้แล้วท่านที่จะย้ายไปที่อื่นแต่ท่านก็เห็นว่าวัดนี่มีประโยชน์ถ้าสร้างวัดก็จะมีประโยชน์กับลูกหลานญาติโยมแล้วก็พระนึท่านก็เลยอยู่แต่อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องโดนคนดา่าวันนึงท่านเข้าไปในบ้านผ่านหน้าบ้านของนักเลงคนหนึ่งพันนโอกามก็ดา่าทนะ่านเลยนะด่าท่านแรงๆเลนะคนเราเวลาถูกดา่านี่ทำยังไง หนึ่งถ้าไม่ด่ากลับแล้วก็ทำเป็นหูทนลอยท่านไม่ทำสองอย่างท่านเดินไปหาเขาจับแข้งเขาขย่อยนี่จับแ ข, ข, ข้งขย่าขขยามึงด่าใครมึงด่าใคร <c oughs> ก็ด่ามึงเลยเด้ <c oughs> ท่านยิ้มเลยอ๋อแล้วปล่อที่แท้ก็ด่ามึง <c oughs> อย่าด่ากูแล้วกันนะฮะคือ <c oughs> ท่าน <c oughs> ท่านไม่รับคําด่าไงใช่ไหมเวลาใครด่าเราเนี่ยอย่างแรกที่เราทำกุญยารับคำด่าของเขา ผู้เจ้าเนี่ยทเป็นตัวอย่างอาจารย์เขาบอกว่าอ้าด่าแล้วทไมไม่พูดจะบอกฮะด่าแล้วทไมไม่พูดจะบอกตอบตัเองก็แล้วแต่เราบอกว่ากาลังกลังกลงเขา่าเพื่อนเราพูดเหรอเขาด่าเขจะให้าด่าเ่อเียอ๋อแซงว่าเขาเขาเขาผิดฝังที่เราไม่บเขาไม่ได้พูดก็เขาจะพูดทำไมใช่ไหมถ้าจะด่าที่ฉันไม่ด่าด้วย พระ เ, เจ้าเนี่ยเคยโดนครามณคนหนึ่งดา่าเดินตามท่านไปตามพระองค์ไปแล้วก็ดา่ดาดา่ด า, ดาพระองค์ก็ไม่สนใจจนท่านก็ดาาจบแล้วก็ถามว่าพรามณเคยมีคนมาบ้านท่านไหมท่าบอกมีสิ<ต>ข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่ไรไม่ตอกมีคนมาเยี่ยมมาหาที่บ้าน แล้วเวลาเข้ามาที่บ้านเนี่ยท่านทําอย่างไรก็น้ํามาต้อนรับใช่ไหมเอาของมาเอาของมาต้อนรับเอาของขบเคี้ยวนะผู้เจ้าถามตอไปว่าแล้วถ้าแขนมั้นเนี่ยไม่กินน้ําไม่กินของที่ท่านเอามาต้อนรับขอนั่นจะเป็นของแขกนะนี่ของของพราหมณ์ใช่ไหมผู้เจ้าบอกว่าฉันได้ก็ฉันนั้นเมื่อท่านด่าเราเราไม่รับคําด่าของท่านคําด่านั้นก็กลับไปของท่านห ความก็สุดเลยนะคือเวลาใครด่าเวลาใครด่าเราเาต้องการให้เราโกรธถ้าเราโกรธก็สมหวังเขาเขาชนะใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่โกรธเนี่ยก็ไม่สมหวังเขาเขาผิดหวังเขาก็เสียใจเนียี่ยที่โยมทำไมไม่เพราะเาผิดหวังไงเพราอย่างแเราโกรธใช่แต่พอเราไม่โกรธ เขาเล่าไงเราไม่โกรธก็คือเราไม่เราไม่ตอบโตเ้เขาเขาก็ผิดหวังเขาก็เลยถามแบบนั้นนั่นแสดงว่าเขาแพ้แล้วเวลาเวลาคนด่าเราเนี่ยเราอยากให้เขาชนะหรือให้เขาแพ้อะแพ้เราก็อย่ากโกรธเลยก็อย่าต่อรั้วต่อเสียงเลยตบมือข้างเดียวไม่ดังแปลว่าอะไรแปลว่าทําฝ่ายเดียวย่อมไม่เกิดผล ถ้าเขาด่าเราเราไม่ด่าตอบมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมทนี้นี่คือความหมายว่าเราอย่ารับคําด่าของเขาเขาโยนเขาโยนเขาโยนทุเรียนใส่เราเราก็ต้องหลบอย่าเอาหน้ารับอย่าเอาตัวรับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเอาหน้ารับเอาตัวรับก็เลยเจ็บเขาดาข่ากูเขาด่ากู แทนที่จะนึกว่าหรือคิดขึ้นมาแล้วว่าเขาด่าเราเขาด่ากูเขาด่ากูลองคิดว่าที่เขาพูดเนี่ยถูกไหมจริงไหมลองเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองจากว่าเขาด่ากูเขาด่ากูเนี่ยมาเป็นว่าที่เขาพูดเนี่ยจริงไหมเขาเรียกว่าไม่เอาไม่เอาตัวกูชูไม่ชูตัวกูขึ้นแต่ว่าเอาปัญญาออกหน้าปัญญาหน้าคือพิจารณาว่าเขาพูดมาถูกไหม ถ้าพูดถูกเราก็าแก้ไขปรับปรุงได้ประโยชน์ถ้าก็พูดไม่ถูกก็อย่าไปสนใจแล้วประเภทที่แบบว่าต่อหน้าฆาข า, ขาแล้วรับหลังยังไงอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมคะค น, คนแบบนี้ก็มีค่ะที่ตอนหน้าหนูดีอยังงั้นหูดีอย่างนี้ทําทดีแล้วคะ่ะรับหลังก็ยากได้ได้ไม่ทำอางไรหน้าเสนอหน้าอะไรเนี้ย แต่เขาก็ไม่กล้าพูดกับเราโดยตรงนะคะก็ได้ยินหมาแต่คือมองมองเหมือนคือถ้าเรามองมองอีกมุมหนึ่งนะเขาก็น่าเห็นใจนะเพอาะเขาทุกเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยแปลว่าเขาทุกใช่ไหมเหมือนที่ที่นาเขเขียนเขียนเขียนเขียนกระดาษ น, นะ อ, อ่าคนที่เขากัร<อ>แม่การไนเราเนีน่ยเขาทุกเขาทุกนะ เขาใมีความสุขเขาเห็นเราได้ดีเคยเราดีกว่าเขาใช่ไหมเราก็เออก็สงสารเขาหน่อยเคสิสงสารเขาหน่อยใช่ไหมเพราะถ้าเราสงสารเขาเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราเกลียดเขาเราก็ทุกข์นะเรามันไส้เขาเราก็ทุกข์นะใช่ไหมเห็นใจเขาเห็นใจเขาเออนะ เขได้ทราบ่ที่ว่าที่ีกลับไปขยบเครื่องบินเ่ือคนตันเป็นเรื่องของสติที่ว่า่ทั้งหดคือเขาไม่สบายนะค่ะเขาไม่สบายป่วยยาเขาคงอยากดังด้วยเขาอยากจะให้เขาคงอยากคือเขาหมายว่าไม่อยากดังเขารู้สึกว่าเขาทุกข์แลวเขาเห็นคนอื่นเนี่ยมีความสุขเขาก็ไม่สบายใจเพราะยัคนอื่นเนี่ยทุกข์เหมนเขา ใช่ไหมคนเวลาคนเวลามันจะมีคนใหน้นะคนเวลาในอเมริกาไปเยอะเลยเมันทุกข์มากนะแล้วก็เห็นคยิ้มแย้มล่าเริงมันดิฉานะก็เลยไปยิงเขาตายในอเมริกายะดิฉางใช่ยิงนักเตไปเพวกนี้ไอ้ที่มันรู้สึกมันโลนี้นแย่นะเขาสูตว่าเขาเนี่ยถูกกับถูกกแกล้งขาเาทำาไม่ได้ความเป็นเขาต้องการจะทาลายโลกเพราะโลนี้ไม่เป็นทําของเขา ใช่ไหมคือพวกนี้เป็นพวกที่หนึ่งทำหางานทํำไม่ได้สองหรือว่าเป็นพวกที่ถูกกดดันจากสังคมอันนี้คือในอเมริกาเป็นข่าต้องการต้องการที่เขาเกลียดชังโลกวันนี้นก็เดาว่านะว่าคนคนนั้นน่ะนักินคนนั้นผู้ช่วยนักบินเนี่ยก็คงจะอิจฉาอยากจะให้ถ้าเม่อาก็อยากจะทำร้ายคนทั้งโลกเพราะว่าทําให้ฉันเป็นแบบนี้ ก็เลยตั้งใจจะฆ่าตัวตายด้วยกานเอาครื่องมินชนเพราะเขาจะฆ่าตัวตายวิธีก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่เขไม่ทาก็ต้องการให้คุอถึตายเพราะเขคนที่ป่วยเพราะว่าคนที่ทำเช่นนักบินตายเขาจะต้องมีการตายทดสอบนั่นมันไม่สามารถทดสอบเขา้งจะเขาได้คะแนนเขาผ่าได้ แต่เขาไม่ได้บอกความจริงล้ ว, ว่าเขาไปหาหมอเขาไม่ได้บอกแล่วเขาห ล, ลอกด้วยไงคือเขาแบบอ่อนๆนะคนพว้นี่บางทีก็หลอกได้นะพวกไซโปพาร์สเนี่ยพวกไซโปพาร์เนี่ยคือพวกที่ชอบฆ่าคนเปนและซีริซีเลร์เคเลเลอร์ฆ่าคนเรียกฆาตการต่อเนื่องพวกนี้ปกติเนี่ยดูไม่ดูเหมือนคนทั่วไปรู้ผิดรู้รู้รู้ผิดชอบชัว่วดีแต่ เขาไม่มีความรู้สึกเห็นใจส่วนที่จะรับรู้ความทุกข์ของคนเนี่ยเขาไม่มีมนะมะเพราะนั้นเนี่ยเขาฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็เวลาเขาจะฆ่าเนี่ยแม้กระทั่งคนขอร้องว่าอย่าฆ่านี่อย่าฆ่าฉันเนี่ยเขาไม่ไรู้สึกทุกข์หรือเจ็บปวดเพราะถ้าคนธรรมดานเนี่ยถ้ามีใครขอร้องเราโอ้ยอย่าทำเลยทำเลยเราก็เห็นใจนะแต่นี่เขาฆ่าเฉยๆนะแล้วพวกนี้เนี่ยหลอกหลอกหลอกหมอจิตหมอจิตแพทย์ได้ง่ายเลย เพรเขารู้เนี่ยว่าจะตอบยป็นไงใช่ไหมฉลาดมากแล้วก็เลี้ยงเองที่ฉันมันมีหนังเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องคนที่เรื่องคนที่เป็นพวกใสก่โคลพาเนี่ยแต่ว่าเหมือนคนปกติเลยแต่ว่าเผลอไม่ได้นะเผลอได้ก็ก็ฆ่า คือเห็นใจคนง่าไๆที่ว่าหนุ่มคนี้เขาไม่มีความสุขสงองคนนี้ทำแล้วตกแล้วลกอะ่ะใช่ไหมคือเขาต้องรับกรรมรับกรรมหนักเรื่องชาติหน้าจะถูกถูกฆ่าแบบพาลูกแล้วก็สงสารเา้าแล้วก็พยายามช่วยเขาช่วยเขาไม่ให้เขาทาแบบนั้นใช่ไหม มีส่วน <c oughs> มันมีหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยนะที่เกี่ยวกับไซโรครภาพเนี่ยนะคือตอนเป็นตอนที่ก็เด็กเนะอายุพักอายุสักมาสักเท่าขวบเนี่ยแม่เขาถูกฆ่า <c oughs> นะถูกฆ่าแบทารุนนะแล้วเ็าอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ทุกข์มากแล้วถึงจุด น, นึงเนี่ยร่างจิตใจมันทุกข์ต่อไปไม่ได้ จิตใจมันก็จะมันก็จะมันก็จะหยุดทำงานก็คือไม่เสียใจต่อไปแต่ถ้่คนยังเสียใจเนี่ยมันจะมันจะมันจะไม่ไหวจิตใจคนเรามันมีวิธีการที่จะป้องกันตัวเองเรืยกว่าดิฟ e ฟนซีสแมคคิซึ่งก็คือว่ามันไอความรู้สึกที่จะเจ็บปวดเสียใจก็จะหายไปเลยคนคนนี้จะไม่รู้สึกไม่รู้ไม่รู้สึกเจ็บปวดเวลาที่คนอื่นทุก เพราะว่าเขาทุกข์จนทนไม่ไหวนะมันเหมือนกับคนที่มันเหมือนกับคุณประเพทนี้นะผู้ผู้ฐานในสงครามเนี่ยเวลามันเจอสงครามมันเจอระเบิดเจออะไรมากมนะถึงจุดนี้นะมันไม่ไหวนะร่างกายมันชัดดาวเลยมันเป็นลมเฉยเลยเพราะว่ามันทนไปมันทนไม่ไหวแล้วแต่คนแบบนี้เนี่ยถ้าเขายังมีความรู้สึกสุบทุกข์เนี่ยแล้วความสุขในจิตใจเนก็จะอยู่ต่อไม่ได้เพราะว่าเขาเต็บปวมาก ยันมันก็จบร่างกายไอยจิตใจส่วนที่จะรับรู้ความทุกข์หรือว่าเห็นใจคนนีมน่มันจะมันจะพิการไปเลยมันจะไม่ทํางา น, นก็ทําให้อยู่ต่อไปได้เนี่ยก็ยังปกติแล้วก็ลืมไปเลยนะลืมไปเลยนะว่าแม่เนี่ยถูกข้าลืมไปเลยนะว่าถ้ามือขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเจ็บปวดมากคนประเภทนี้เนี่ยเขจะมันจะมีกลไกทางจิตที่ทำให้ให้ลืมแบบสมิทเลย กาที่ปดกายจริงๆช่วยเายงไเาสามารถดูกับความเจ็บปวดทั้งด้คือ <c oughs> คนธรรมดาเนะเวลาเจ็บกายเนี่ยมันไม่ได้เจ็บกายอย่างเดียวนะมันเจ็บมันทุกข์ใจด้วย <c oughs> มันจะมีความรู้สึกมันความความรู้สึกความรู้สึกผักใสใช่เหมือนกับเวลาเราถูกรวมกันเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้เจ็บที่ ที่มือนะทำความทุกข์ใจด้วยวิธีการคือว่าจะต้องให้มีสติรู้ทันว่าใจมันเกิดโทสะใจมันเกิดปวนใจมันเกิดความวุ่นวายไหมสติที่ช่วยได้มากอธิบายยกตัวอย่างซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าทํำไม่ยากนะแต่ว่าดูตัวอย่างอย่างนี้นี่คนคนนึงเนี่ยแกเป็นมะเร็งลำไส้แล้วแกปวดมาก ยาเอาไม่อยู่แล้วก็โหมันจะพรมานนะแต่ว่าแกจะเคยปฏิบตัติธรรมจนมีสติพอแกได้พอได้แกได้คิดขึ้นมาแกก็เอาสติเนี่ยนะมาใช้ภาษาแกเนยังสติเนี่ยดึงจิตไว้ที่หัวนหล่แล้วก็มาดูท้องที่ปวดปพราว่าใจ ม, มันสงบเลยท้องยังปวดอยู่นะแต่ใจสงบแต่พอ แต่พอเผลอสติเมื่อไรสติไปลงจิตไปลงออกับกายนะมันก็ดิ่งเลยพอมีสติปุ๊บสติดึงจิตออกมาดูท้องที่ปวดก็ก็หวันความปวดยังมีอยู่ไหมแต่ว่าใจเนี่ยไม่ถูกนิดอ่ออาจจะทำยากนะแต่ว่าแต่ว่าทำได้อีวิธีหนึ่งนะชดสมาธิ มีคนแค่คนหนึ่งแะคนหนึ่งแล้วมันลามไปที่กระดูกแกปวดจนกระทั่งนอนไม่ได้แกต้องนั่งแล้วก็นั่แบบมอกราขีมันทรมานมากเหนือนี่ไม่กัวโตเลยนะปากซีดยาเนี่ก็เอาไม่อยู่ละหมอให้ยามอร์ฟีเนี่ยทุกสามชั่วโมงแกบัฟฟทุกสองชั่วโมงได้ไหมหมอบอกให้ไม่ได้ปวดมากคือหมอมันลาไม่รีแล้วจังย หมอมาลาเนี่ยมาเยี่ยมก็อยากจะช่วยก็เลยชวนทําสมาธิหลายใจเข้าพุทหายใจออกโคคนท่านไม่เคยทําสมาธิคุณหมอมาแล้วคิดว่าทําสักห้านาทีก็พอแล้ว ก, ก็มากเกินไปแล้วปรากว่าแกทำห้านาทีแกก็ยังทําอยู่สิบนาทีสิบห้านาทียังทําอยู่ทำํำจนถึงสี่สิ้นาที แล้วยิ่งทำก็ยิ่งดีนะพอเปิดตาขึ้นมาเนี่ยสบายปากเป็นสีชมพูเหนือเนี่ ย, า ห, นนยหายเลยความปวดทุกเราคุณหมอไม่รับถาม ว, ว่าในเมื่อคุณไม่เคยทำสมาธิมาก่อนเนี่ยนี่เป็นสมาธิคุณไม่รับเอ๊ะแล้วทำได้ยังไง แกบอกว่าแกมีสมาธิกับงานเอาสมาธิออกงานมาใช้กับการตามลมหายใจก็ได้เนี่ยสองวิธีง่ายๆหนึ่งสติสองสมาธิสาเมตตาเมตตาะมาเล่าเรื่องเมื่อวานนี้เล่าเรื่องคนที่เป็นสเต็ปเงินจได้มมได้ม า, มาฟังดวยอ๋อคนนี้เป็นคนมีคนนึงเป็นสเต็ปเงินนะโลสเต็ปงแรงมากแกต้องนอนเนไปตองนะแต่แกไม่ต้องแกไม่แก แต่คนความปวดได้แกไม่กินยาทำได้ยังไงแต่ก็บอกว่าเนี่ยเวลาเวลาแกทำบุญนะใสแกก็จะพูดกับสกเก็ตเงินว่าสกเก็ตเงินถ้าเธอจะไปก็เอาเงินกิสมันไปด้วยนะแต่ถ้าจะอยู่ถ้าเธอต้องระวังนะเพราะว่ายาที่แสง ก, กินมันแรงนะอาจจะตายได้คือเธอไม่เกียดสกเก็ตเงินเนี่ยเธอมีแต่ความรักความเมตตาสกเก็ตเงินความรักความเมตตาเนี่ยก็ทําให้ความทุกข์ใจหมดไปแล้วแต่ความทุกข์กายคือความปวด น, นเนี่ยเวลาเราเวลาคนมีความปวดเนี่ยนะให้ตระหนักว่าเขาปวดทั้งกายปวดทั้งใจสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้คือช่วยระ ง, งับความปวดใจความทุกข์ใจด้ว ย, ยสติสมาธิเมตตาแล้วก็ศรัทธาเนี่ยเมื่อวานนี้ตวาวก็เล่าเรื่องคุณยายที่เป็นที่ปวดเนี่ยแล้วก็ พยาบาลถามว่ายายชีวิตที่ทำไรมีความสุขมากที่สุดยายยัง น, น, น, น ะ, นะนหลอพระหลอพระแก่พยาบาลก็จะคุยเรื่องหลอพระคุยเสร็จสินาทีสิบนาทียี่สนาทแกก็พูดขึ้นมาว่าเอาเอแปลนะความขวบปัญหายไปเลยศรัทธางั้นคุณอาศัยศรัทธาก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องพูดศาสนาศรัทธาในพระเจ้า ก็ได้สถางใจแม่คนนึ่ก็ได้สองคุณใช้สมาธิสาคุณ้สติสี่คุณแนะนาให้เคตาแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้กับสมุดปวดท้องแผ่เมตตาให้กับท้องแผ่เมตตาให้กับมะเร็งในท้องนมีคนนึงเป็นมะเร็งนะผู้หญิงโอ้ เวลาแกาจะนอนนี่มันจะปวดมากเลยแกก็จะพูดกับมะเร็งว่ามะเรงตอนนี้ได้เวลานอนแล้วนะ <S <S <S เธอนอนฉันก็นอนด้วยตามต่า ง, างนอนนะเสร็จ แ, แล้วก็ร้องเพลงก่อมลูมามาลกม น, นะคือปกติเวล า, เ, าเวลาเราปวดท้องใช่ไหมคนธรรมดาจะดามมะเร็งมึงไอง้มะเร็งไอ้ไรยําไอ้เราย่ายิ่งปวดขึ้ไนไปใหญ่แต่เขาเนี่ยแพ้ไม่ตมายมะเร็งทําใจให้เป็นบวกไง เวลาคุณทำใจให้เป็นบวกเนี่ยนะความทุกข์มันจะน้อยลงถ้าใจคุณเป็นลบนะคุณจะทุกข์มากขึ้นงั้นเวลาเราปวดนะไม่สบายเนระาจะแถลไม่ตายเพื่นหน่อยนะอย่าไปด่าเขาอย่าไปโกรธเขานะ ในทางในทางสุขุมชู้สาวใช่แไหมก็ตอนแรกก็ยังไม่ไปเที่ยวกับเราเก่งดปวยกันใช่ไหมเราก็ชอบเพ่งสวมเขาแต่สมัยกับตอนที่ทายเราเขาเพ่งสวมเขาหน่อยแล้วเพื่อนเขาลองอะไรอะไรฉัน ฉตเ็มอยคนาเยงอว่้เาอ่าควขามงเน้อยอะเรา่รู้เราขอสมเาเราเาแล้วเพื่อนเพื่อนก็องเปต่เราเ้้มาแล้วก็ถาเนี่ยจริงไหม แล้วเขายังอยากจะอยู่กับใครเธอจะเลือกใครอ่ใช่ไหมคือการคบกันเนี่ยเป็นสามีภรรยาหรือผัวเมียเนี่ยนะสิ่งสำคัญอันดับแรกเนี่ยคือซื่อสัตย์สจรุดฮะเอาไม่รับเนี่ยต้องถามเขาต่อไปว่าเนี่ยว่าเขาแต่เขา ที่เราไปถามเขาถ้าคิาจะทำอถ้าคิดว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้เลยเขาอ่าก็ข้าจะอาจจะเรียกว่าอะไรกบเกลื่อนก็ได้ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสามีภรรยานเนี่ยสิ่งสาคัญก็คอวามซื่อสัสยจริถ้ามันไม่มีแล้วเนี่ยเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องอื่นเรื่อง อ, ง อ, งองื่นเนี่ยทนทนได้เช่นก็อาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบเจะเป็นคนพูดจะ พูดจาไม่สุภาพนะก็อาจจะไม่รับผิดชอบงานการเนี่ยไอู้กนี้เนี่ยมันัถือว่าไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตครอบครัวชืวครอบครัวเรื่องใหญ่คือความซื่อสัตย์จริงถ้าไม่ซื่อสัตย์จริเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เว้นแต่ว่าถ้ามีลูกเนี่ยก็ต้องคิดละเออไม่กระจากจะพระก็ประคองกันอย่างไรแล้วก็พระเนี่ยพระเนี่ยจะจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะ ถ้ายัางไม่ไม่ปราชิกเนี่ยนะมันก็ยังพอไหวแต่พระนี่จะมีปรารชิกอยู่สี่ข้อนะว่าละเมิดไม่ได้จะทำผิดะจะกินเหล้านี่องได้นะกินเหล้านี่ไม่ปรารชิกนะใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณทำผิดข้อใดข้อหนึ่งนะคุณต้องออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นามยายเนี่ยไอการการนอกใจในี่ถือป่าราชิกนะนขพออื่นนี่ไม่เท่าไหร่นะไม่ยอมรับก็ต้องอันนี้ก็ ต้องถามคีมีประสบการณ์ให้ฟังจะแนะนำยังไงคะจะแนะนำยังไงเนี่ยฮะไม่ยาแล้วทไงลไปกลุ่มคุณนาใช่ของคุณนาคุณนามีครอบครัวกลุ่มคุณนาทำลเยอะใช่ไมรัใช่ทำลูกทำไอ้ทีู่กถ้าทานมาไม่ยอมแล้วนักก็บอกว่าโอเคที่ผ่านไปแล้วก็แล้วไปแต่ว่านับจากวันนี้ไปเนี่ยขอให้มีความซึ้งไปซึ้งเลยค่ะถึงฉันไม่รู้เธอก็รู้ถ้าเธอจะอยู่แบบ เจออยู <k> ่แบบเจออยู่แบบหน้าไว้หลงหลอกได้ยังไงจะมีความสุขหรือใช่ไหมเขบอกก็อย่างนี้อะไรท่านน้องเนี่ยนะความอะไรนะความหวังด้วหมายถึงว่าสามารถคนเราจะการประกอบกักษด้ยอย่างนู้นเรื่องกาแฟ ยอมเคยแตะมุทมาอาชกับแฟนอย่างี้ปากเราก็พูดว่าเราไม่คาดหวังในตัวเขาแต่ใจลึกๆน่ะเล็กก็คาดหวังอยู่แต่พอมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการลเรารู้สึการสึกผิดบางูกผิดบางไมแล้วทายังไงท่านยากาให้เ็กีความรู้สึกนี้ให้ยอมมีความสุขนะเพราะรกั มันได้มันไม่ใช่ความิดของเขาความคาดหวังของเราทำให้เราเป็นแบแต่จริงๆใจเลคิดว่าทุกคก็คาตัวมูรณ์แบบะก็ตาม้ก็ต้องมีอะไรหลคาดหวังแมต้อง้อย่างไม่งแต่เรา้ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยเป็นไงรู้สึกม คือความคาดหวังเนี่ยนะถ้าเรารู้ทันนะว่าเราคาดหวังแล้วถ้าเกิดไม่สมหวังเนยเราก็พิจารณาว่ามันจะเรื่องไรแรงไหมใ ช, ใช่เนี่ยเออบางครั้งเนี่ยเราความคาดหวังของเราเนี่ยพอไปยึดมันถึงมันไน่นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ยิ่อย่างเช่นขับรถเราตั้งใจว่าจะไปถึงขับรถไปเที่ยวะนะเราอยากจะไปถึงที่หมาย 10บโมงเช้าแต่ว่าสิบโมงแล้วมันก็ยังไปครึ่งทางเนี่ยเราก็ทุกข์แต่เราก็ถามตัวเองว่าเออแล้วไปเช้ามันเสียหายแค่ไหนมันก็ไม่มีอะไรเสียหายใช่ไหมเราไปเที่ยวเนี่ยเราไม่ไปทํางานเราไปเที่ยวเราก็ต้องรีแลกต์ใช่ไหมต้องปล่อยวางคือความคาดหวังเนี่ยนะถ้าเราถ้าเราคาดหวังแล้วแล้วเราไม่รู้ทันะแเรื่องเล็กน้อยเนี่ย ก็กายเรื่องใหญคนทุกข์เพราะรถติดเนี่ยมากเลยทั้งที่ไปช้าสักหน่อยเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่พอคาดหวังว่าเนี่ยมันต้อง10โมงนะหรือว่า9โมงต้องถึงนะพอไม่ถึงเนี่ยก็จะเริ่มหมหุนหงิดแล้วทั้งที่ไปเที่ยวนะงั้นเนี่ ย, ยการคาดหวังเนี่ยคนเราเนี่ยหนีน้ีความคาดหวังไม่พนแต่ต้องรู้ทัน แล้วถ้าเรารู้ทันมันเนี่ยพองมันไม่สมหวังเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาต่อไปว่ามันร้ายแรงถล้วทำไมร้ายแรงก็จะไปขวดทำไมจะไปฉล้อทำไมใช่ะสองสองไปสามนะคะหนึ่งมาสองสามไปหนึ่งสองสามก็ะาลูเป็นไงเท่าอยู่มะ อาจารยานี้ครับก็ต้องต่อเนื่องนะทไปเรื่อยๆเพราะว่านี่มันอ่เพราะว่าพอไปกลับไปกลับไปสู่ที่เดิมนะไม่ได้กลับไปสู่ความรู้สกเดิมิร้อนเป็นลมเป็บเราเราต้องพยายามที่จะพยายามที่จะไม่ถึมันครอบน้ำพยายามที่จะนึกแต่ลมหาย ฮะร้อยอย่าเป็นสุกนะให้ปลอดภัยไกทุกนะแล้วป็อันตรายออย่าเป็นสุกนะอปลอดภัยไกลทุกนผ้าปองสุดทาน้องาหยดงาาเล แล้วเขาถามบุกมแล้วคนที่คนที่แบบเขาชอบดือมน้ำแบบกาแฟหรอโซนุกเกี้ยนเนี่ยคะสองสามรอบแล้วที่ก็ชอบยิ้มยิกาแฟหรือถือถือมาเาป่วยไม่ป่วยหรอกแต่ว่ามันกินเลยเขาไม่รู้ตัวเขาถูกกิเข้าไปแล้ว เธอเป็นผู้หญิงอะที่เฉลียงไเหรอจะไปอะไรกับพี่ชายเขาไม่ได้ทกับเองก็จะชอบพูดกับเบียรของผู้ชายอย่างเงี้ยเขาก็พูดแชร์ตัวไปเราพูดคุยสนทนากันนะไม่ต้องบรรยายหรอกมีอะไรสักถามก็สักถามได้เมื่ีไปกลุ่ม หน่ค่ิ้มยนานก็คือเรื่องอะไัางเนี่ยะนะมหมดขาดเเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเียนเรื่องอะไรี่ยนใมนไม่มีคนไม่มีรู้ผมเ้วยหรือว่าใคอยากถามถามไปถามอะไรนะเีกายทางการหาการเอาทีถาม่หรตง รู้จักมงค์คนสามสิบแปดหรือเปล่าพวกเราไม่รู้จักค่ะชอบค่มงค์คนใช่ชอบฟังคือคนไทยเราก็ชอบสรริมงคลใช่ไหมและสิริมงคลที่เราชอบเนี่ยอาจจะหมายพระข่มน้ามนต์หรือว่า ใ ห, พให้พระให้มีวัตถุมงคลพระให้เพิวัตถุมงคลหรือว่าถ้าพระไม่ให้ก็ไปหาวัตถุมงคลมาเพราะเราคิดว่าเออถ้ามีแล้วเนี่ยมันจะเป็นมงคลต่อชีวิตหรือว่าบางทีก็ไปหาไมา้มงคลมาหรือบางทีก็เปลี่ยนเชื่อเป็นมองคลช่ไหอันนั้นเะนี่ยนะยังไม่ใช่มงคลสูงสุดมงคลสูงสุดเนี่ยมันเกิดจากการลงมือทาไม่ใช่มีใครให้ มนะงคลสามิปเนี่ยเป็นเรื่องมงคลสูงสุดอุ ด, ดมมงคลเริ่มงแต่คนอแรกเลยนะไม่คบคนพาลไม่คบคนชั่วนะสองคบคนดีง่ายไหง่าย ะ, ายะแต่ว่าเราก็ต้องเรื่องนะว่าต้องรู้จัก พิจรารณาว่าใครเป็นคนชั่วใครเป็นคนดีเพราะว่าคนบางคนเนี่ยนนเขาชอบประจบประแจงเชียร์เราเนี่ยก็จะไม่ใช่คนดีก็ได้ใช่ไม่มเดี๋ยเพราะถ้าเราล่ํารวยเรามีฐานะเรามีชื่อเสียงขเขาก็มาประจบประแจงมายกยอสรรเสริญอันนี้ก็อย่าไปหลงเชื่อว่านี่คือคนดีเพราะว่ากว่าจะมากอาปพะ่ยชน์าเราบคุคคล38เนี่ยเริ่มต้นตรงนี้ เริ่มต้นที่คุ ณ, คณต้องรู้จักหาสิ่งวัลลอมที่ดีเพื่อนก็<อ>คือเพื่อนดีประเทศที่เหมาะสมถิ่นที่เหมาะสมนะประเทศที่ไ ม, ม่ได้แปลว่าประเทศชาตินะหมายถึงว่าถิ่นที่เหมาะสมชุมชนที่เหมาะสมใช่ไหมนเนี่ยทุกอาจารย์เริ่มต้นจากสิ่งรอบตัวก่อนนะคุณต้องหาสิ่งวัลลอมที่ดมีมาประเทศมาอยู่เยอรมันเนี่ยไอ้ยอสสวิสเนี่ยนะก็ อ, อาจจะเป็น ปฏิรูปประเทศได้เหมือนกันนะผู้คนก็ อ, า, อาจจะ ก, กรรมสิ่งชั่วร้ายอะไรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเมื่อเทียกับเมืองไทยหรือว่ า, าสุนทรภพที่สงบสงัดนะวันนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยผู้เจ้า ก, ก็จะแนะนำว่าต้องทำอะไรบ้างเช่นมาศึกษาหาความรู้นะเป็นคนมีวินัย รวมทั้งรู้จักแสวงหาความรู้นะฟังธรรมการฟังธรรมก็เป็นมงคลสูงสุดนะการการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลสูงสุดนะการแม่ประมาทในสิ่งทั้งปวงก็เป็นมงคลสูงสุดนะมันจะมีอยู่สาสิประการนะเราจะพบว่ามงคลเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้ คือบางที่ว่าต้องไปซื้อวัตถุมงคลมาถึงจะถึงจะถึงจะมีมงคลต้องไปเลี้ยงพระถึงจะเกิดมงคลกับตัวแต่ในมง38เนี่ยนะแทบจะไม่ต้องใช้เงินเลยสักข้อฟังธรรมแสดงธรรมความไม่ประมาทการรู้จักคาระวะความอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยการเป็นผู้ว่า ง, ง่ายสอนง่ายการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากเนี่ยแต่สิ่งนี้เม่ก็คือคุณต้องลงมือทำ ซื้อเอาก็ไม่ได้ใครให้เราก็ไม่ได้แล้วพระเจ้าอธิบายจนกระทัางถึงจุดที่เรียกว่าการเข้าถึงมิตรพานการ ท, ทําพระนิตพานให้แจ้งจนกระทั่งจิตเนี่ยเหมือนกับดอกบัวที่ว่าอะไรมามอะไรมาแตะต้องก็ไม่หวันห่นไหวโลกกระทำทั้งหลายมาแตะต้องก็ไม่เบื่อหน่ายใครชมเราก็ไม่ยุนดูใครดาค่าก็ไม่ยุดร้างใช่ไหมเป็นจิตที่กษะสันเปจิตที่ ไม่มีทุลีกิเละเนี่ยเหมือนกับดอกบัวที่น้ำน้ำมาแตะต้องอย่างไรก็ไม่เปี่ยกนยซึ่งถ้าพูดสุด ย, ยอดเนี่ยก็คือบุญกิริยาสิทนะสาสิแปนี่ ย, ยอดเหลือสิบสิบนี่ยอดเหลือสามคือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญา เดือนนี้เนี่ยคนไทยเรานะ่ยไม่เราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องมงคลสาสิบแปดไม่มีความรู้เลยเราไปติดใจกับ ว, ว่าเออชื่อเป็นมงคลไหมใช่ไหมต้นไม้ที่บ้านเป็นมงคลหรือเปล่าใช่ไหมไปไปสนใจเรื่องพวกนี้นะซึ่งมันไม่ใช่กติพูทธมันเป็นกติจริงนะก็แน่นเช่เนชื่อเป็นมงคลเนี่ยนะ สมัยก่อนคนชื่อหมาก็เยอะนะก็เหนก็าเดือดร้อนอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีเอี่เวลาไปดูเลิกยามเป็นมงคลไหมใช่ไหมอันนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่พุทธนะพุทธเนี่ยมงคลสูงสุดเนี่ยคือสิ่งคือการความดีที่เราได้ทําะั้นถ้าเราทําความดีแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจว่ามีสวิตมงคลคุ้มครองนะ แล้วยามที่เป็นวงคลของเราก็คือเลิกที่สะดวกใช่ไหมคะเลกสะดวกและมีประโยชน์หรือว่าทำดีใช่ไหมสะดวกที่คือสะดวกในการทำความดีเช่นเวลาเลิกที่จะเลิกที่จะบวชนี่คุณสะดวกเมื่อไหร่คุณก็ทาได้เลยคำว่าสะดวกเนี่ยหมายถึงว่าสะดวกในการทำความดีหรือว่าเป็นเป็นเลิกยามที่ เป็นเวลาใดที่ผู้จัดทำเวลาใดที่ทำความดีวเวลานั่นคือเลิกดียามดีที่พระ ส, สวดพาหุ้ง น, นะตอนท้ายๆเนี่ยมันจะพูดเรื่องนี้นะ ว, ว่ า, เ, าเลิกดียามดีก็คือช่วงเวลาที่ทำความดีพูดดีคิดดีันขอคใช่ไหมก า, 3, การสวดมนต์กับการพราเนี่ความหมายเดียวัน ไม่เหมือนกันทีเดียวนะส่วนมนุ์บางคลเนี่ยส่วนมนุ์บางคนสวดเพื่อความขลังเพื่อความศักดิ์สิทอันนั้นมันไม่ใช่ภาวนาแต่ถ้าสวดมนุ์เพื่อให้ใจสงบให้เกิดสัญญาอันนั้นคือภาวนาภาวนานี่คือการฝุกจิตใช่ไหมถ้าคุณสวดมนุ์เพื่อหวังให้เทวดามาคุม้มครองเนี่ย น, นะมันจะไม่เรียกว่าภาวนาแต่ถ้าสวดมนุ์เพื่อเออทำให้รู้ว่าพระเจ้าสอนอะไร ส่วนมเพ่อทำให้จิตมีสมาธิส่วนมนเพื่อทำให้จิต ม, ม, ม, มีสติอันนั้นจริงเีวนะ่าภาวนาทั้งสออย่างการภาวนาที่ถูกต้องนะคะการภาวนาที่ถูกต้องนี่คือภาวนาภาวนาที่ถูกต้องคือฟื้เพื่อลดละกิเลสภาวนาที่ถูกต้องคือเพื่อละไม่ใช่เพื่อเอาภาวนาเพื่อให้ได้แสงสีสแสงสีเห็นแสงสีก็ไม่ใช่ภาวนาเพื่อได้ ได้ได้มีอํานาจพิเศษทายจิตทายใจคนได้ก็ไม่ใช่ภาวนาแบบพุทเนะแต่ละคนก็ก็ทำอยากได้แม้ก็ต้องภาวนาจริงๆนะแม่ภาวนาเพื่อจะเอาความสงบเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการตั้งจิตที่ผิดมีคนถามหลวงปู่หลวงปู่เฟื่องว่าหลวงพ่อหลวงปู่เฟื่องโชติโกผมภาวนามหลายปีไม่เห็นได้เลยเลยท่านก็บอกว่า ภาวนาเพื่อละ น, นะไม่ใช่เพื่อเอาเขะะ้าใจไหมบางทีไอ้ไอ้ความสงบมันก็เป็นกิเลส อ, อย่างหนึ่งแต่แน่นอนเนี่ยเราเราเราทุกมาเราถึงมาภาวนาแต่ตอนที่เราภาวนาต้องวางทุกอย่างแล้วภาวนาแบบพุทธเนี่ยนะจะใน้นเรื่องให้มีสติสติปัฏฐานจะเป็นหัวใจการภาวนาแบบพุทธนะ สติคือการรู้ทันแล้วเมื่อคุณรู้ทันคุณจะเกิดความสงบได้ความสงบมีสองอย่างนะสงบเพราะไม่รู้สงบเพราะไม่รู้คือว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ยินอยู่ในห้องห้องพระไม่รับรู้อะไรต้องเงียบอยู่ในห้องแอร์ถึงจะสงบได้อันนี้สงบเพราะไม่รู้คือตัดการรับรู้ใช่ไหม สงบแบบนี้ก็ดีนะแต่พอออกมาจากห้องพระควาุ่นวาเจอลูกเจอสามีนะสติแตก <c oughs> มีคนหนึ่งนะภาวนานไปไปเข้าคอภาวนานนะหนึ่งวันอยู่ห้องแอร์สบายเช้าจุดเย็นออกมาจากห้องภาวนานจะกลับบ้านจะขับรถกลับบ้าน บรกว่ารถเนี่ยถูกจอดซ้อนคันปรีแตกดาเลยดาทีแทนะแซงว่าอย่างนี้แสงว่าผิดละเพราะถ้าภาวนามาคุณต้องใจเย็นนี่นแล้วคุณต้องมีสติรู้ทันตอนที่อากเกิดอาการไม่พอใจขึ้นเนี่ยต้องรู้ทันว่าเนี่ย น, นะพอรู้ทันเนี่ยมันก็จะสงบ แต่เขาจเจอคนคนนี้เนี่ยภาวนาแบบมุ่งเอาความสงบนะภาวนาแบบว่าสงบเพราะไม่รู้เนี่พอออกมาข้างนอเนี่ยโหเจอรถถูกซ้อนคันเนี่ยระเบิดเลยคือไม่พอใจงั้นเราต้องเรียนรู้ภาวนาแบบสงบเพราะรู้สงบเพราะรู้ไหมว่าในความหมายหนึง่งแม้จะได้ยินแม่แม่แมตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจก็ไม่ทุกข์ไม่กระเพื่อม แต่<ะ> uhm? ความหมายในความสงบพราะรู้คือว่ารู้ทันใจที่มันกระเพื่อมเช่นเห็นรถจอดอยู่ซ้อนทันเ น, เนี่ยนะพอจานกระเพื่อมเนเห็นเลยพอรู้ทันวางคนเราเนี่ยเวลาไม่สงบเนี่ยนะเรามักโทษสิ่งภายนอกแต่ที่จริงเนี่ยเป็นเพราะใจเราเนี่ยไม่มีสติมีเรื่องเล่าว่าหลวงปู่บุญดาเนี่ย รู้จักมาพระบุญดาเออก็นายไม่ดีเพราะท่านถ้าท่านอยูป่านนี้ก็ร้อยยี่แล้วท่านราหน้าพร่สิบปีที่แล้วฮะเอาวะเรเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสักห้ปีแล้วนะคือท่านได้รับนิมให้ไปฉันที่บ้านโยมกรุงเทพนะฉันเสร็จโยมก็ย้ายท่านพักก่อนจะต้องกลับวัดเลยว่าท่านอยู่สิงห์บุรีไกลหลายชั่วโมงสมัยก่อนถนนก็ไม่ดีก็หาห้องให้พักให้ท่านพัก นะแล้วก็มีลูกศิษย์เนี่ยมานั่งเป็นเพื่อนหลวงพ่อท่านก็เองหลังลูกศิษย์ก็เวลาคุยเขาก็สิประซาบอกว่าห้องที่ติด ก, กันเนี่ยคือไปห้องแถวเนี่ยห้องที่ติด ก, กันเนี่ยมันเป็นร้านชําร้านโชห่วยเจ้าของเป็นอาซิมอาซิมเนี่ยคนจีนสมัยก่อนเนี่ยสวมเกีย๊ยเก็บไม้ฮะเวลาเดินก็เดินดังนะ อ, ะอนตาตมายังเคยทานเลยสวมเกีย๊ย เสียงก็ด <pien> ังเข้ามาในห้องที่หลวงปู่อุดากำลังจําวัดอยู่รู้สึกก็ไม่พอใจหุดหงิดพูดขึ้นมาว่าเนี่เดินไม่เก่งใจกันเลยเสียงดังกันหลวงปู่ท่านท่านเองหลังแต่ท่านไม่ได้หลังนะพอท่านได้ยินท่านก็เลยเปรยขึ้นมาเบาๆเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราหูไปลองเกี้ยเขาเองใช่ไหมเสียงไม่ใช่ปัญหา แต่พอหูไปไปลองเกีย้ยเข้าถึงทุกใช่ไหมหูถิดพอหูไม่มีสติไงพ่อหูไม่มีสติหูก็หาเรื่องอไอเงี้ยพอจิตไม่มีสติเนี่ยหูมันก็ไปหาเรื่องไปลองเกีย้ยไงใช่ไหมแต่ถ้ามีถ้ามีสตินะก็จะรู้แล้วโอ้โนี่เรากลาลังเอาหูไปลองเกีย้ยแล้วนะกํากลังโกรธแล้วนะกําลังอย่างนี้แล้วนะพอรู้เท่านั้นแหละมันก็จะสงบลง อันนี้คือความหมายว่าสงบเพราะรู้เนี่ยคือได้ยินแต่ใจก็ไม่กระเพื่อมหรือถึงกระเพื่อมก็รู้ทั น, นสงบแบบนี้เนี่ยสงบแบบสติตมันทำให้เราเนี่ยไม่เอาเอารมดายเกิดขึ้นก็ไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ว่าไม่โกรธโกรธแต่ไม่เอามีคนถามหลวงปู่ดูลย์เขาาลือว่าทําเป็นพระอรหันต์ หลวงปู่ตุนเทตมาเล่าหลายครั้งกันนะติดหลวงปู่มั่นหลวงปู่มีโกรธไหมม<า>ันตอบว่าสั้นๆมีแต่ไม่เอาเข้านะใจไหมไม่เอาเพราะอะไรหนึ่งเพราะรู้ทันสองเพราะเห็นว่าความโกรวนี่มันไม่ดีเลยเอาไปทําไมนะต้องใช้ทั้งสติและปัญญาถ้าคุณสงบเนี่ยนะสงบเนี่ยให้เข้าใจนะมาสงบเพราะไม่รู้ก็มีไปอยู่ในที่เงี ย, มมยบๆก็สงบ ฝรั่งจะรู้จักความสงบประเภทนี้ เ, นเพื่อนเทียตมาที่เยอร ม, ยมันเล่ห้ฟังห้องข้างๆเนี่ยเป็นคนเยอรมันเนเวลาเวลาตัวเจ้าของคนไทยเนี่ยใช้ขึ้นบิดฝุ่นห้องข้างก็มาโวยว่าเสียงดังไม่สงบคือฝรั่งเนี่ยความสงบเนี่ยใจจะสงบได้เนี่ยเสียงต้องเงียบอันนี้เราสงบเพราะไม่รู้สงบเพราะตัดการรับรู้ แต่สงบแบบนี้เนี่ยนะครับมันยังไม่มันยังไม่เที่ยงไอ้มันยังไม่ยังไม่ยั่งยืนเพราะว่าในไงคุณก็ต้องคุณคุณสงบในวัดยังไงคุณก็ต้องออกไปเจอกลับไปบ้านคุณสงบในห้องครั้งไงคุณก็ต้องไปเจอแต่เสียงดังในท้องถนนแล้วถ้าคุณสงบพ่อไม่รู้เนี่ยแล้วพอไปออกไปข้างนอกเจอเสียงดังเป็นทางไรพอมีคนทําอะไรพูดพูดไปถูกใจพูดไม่ถูกหูคุณโกรธแล้วเนี่ยนะอย่างนี้แล้วว่าสงบเพ่อไม่รู้เนี่ย รู้ทีไรเนี่ยทุกทีในสายพุทธการมีพี่หญิงคนหนึ่งนะเป็นพรามรมีชื่อัอ ต, ต่มาจำไม่ได้แล้วแกแกจะมีความเข้าใจว่าเนี่ยแกแกคือใจแกสงบมากเลยแล้วแกก็รู้ว่าเออฉันเนี่ยปฏิบัติทำมาได้ดีแกก็หลงภูมิใจว่าฉันปฏิบัติได้ดี ก็ค like <it> <while> ุยโมนะมีคนใช้คนนึงเนี่ยอยากจะลองของว่าของจริงหรือเปล่าก็แก้งนอนตื่นสายเพรานองตื่นสายเนี่ยนะไองานกรรมก็เลยบางอย่างก็ไม่ได้ทำนะนางพรามในวนนี้โกรธทันทีเลยนะด่าเละเลยนะนางทาสิกระเอาไหนเนี่ยแล้วก็สงบเพรปฏิบัติอยู่ใคือ คนหลายคนเนี่ยสงบเพราะว่าทุกอย่างมันโอเคเรียบร้อยใช่ไหมสงบไม่มีใครส่งเสียงดังทุกคนอยู่ในโอว่าแต่พอมันพอพอมันไม่เป็นไปตามที่อย่างที่หวังเช่นรถติดเพื่อนมาสายนะลูกน้องไม่ไม่เชื่อฟังเอาละกับเพื่อมละเนี่ยไอ้สงบแบบแบบ น, น, นี้มันมันมันไม่ยัง่งยืนแล้วเราต้องปฏิบัติจนกทั่งว่า แม้ว่ารถจะติดแดดจะร้อนเสียงจะดังใช่ไหมคนจะพูดได้เพราะกับเรารถมาจอดซ้อนคันเราก็สงบได้สงบอันนี้เนี่ยต้องอาศัยสติแต่สติมันช่วยทำให้เรารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ระหวา่างเกิดขึ้นแต่ไม่เอาและถ้าคุณพัฒนาจนกทั่งภาวนาจนเกิดปัญญานะ มาไม่เอาเลยปวดเวลาปวดก็ปวดแต่กายใจไม่ปวดเพราะใจไม่ไปเอาความปวดของกายมาเป็นพราปวดของใจกลับมาที่หลวงปู่บุตดานะมีความนึงถ้าไปผ่าเอานิ้วออกผ่าเสร็จสักไม่ถึงสิบห้าทีนั้นก็บอกบอกหมอไม่เป็นไรแล้วเขาื่องชั่วแล้ว คือจะกลับจะกลับวันละหมอตกใจกเพราะว่าหลวงปู่มไม่ปวดเหรอเพราะคนนี่ผ่าผากกนน้อยกว่าหลวงปู่เนีย่ยยังปวดใช่ไหมหลวงปู่ว่าร่างกางชั้นเนี่ยร่างกางหลวงปู่ก็เหมือนคนทั่วไปแหละมันก็ปวดแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยอะอย่าว่าคนกันเออคือพูดง่ายคือว่า คนที่จะทำเหน็บแบบนี้ได้เนี่ยต้องมีปัญญาเห็นว่ามันไม่มีเรามีแต่กายกับใจคนที่ไม่มีปัญญาเห็นแบบนี้เนี่ยเวลาปวดปวดเขาเนี่ยก็เจ้าตัวกูปวดมีตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ปวดและไอ้กูปวดนี่แหละที่มันทําให้ใจปวดตามมาแต่หลวงพ่อท่านหลวงปู่ท่าเห็นเลยนะว่ามันไม่มีตัวกูมันมีแต่กายกับใจสิ่งที่เนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่นี่เนี่ยมันมีแค่กายกับใจไม่มีตัวกูอยู่เลย เวลาปวดกายเนี่ยใจมันเลยไม่ปวดด้วยเพราะมันไม่มีตัวไม่มีการปรุงแต่งตัวผูป่วยขึ้นมาเป็นผู้ป่วใช่ไหมอันนี้แหละจะทำได้เนี่ยมันต้องเกิดปัญญาเห็นขั้นว่าถึงขั้นว่าไม่มีตัวปู่ของรูมีแต่กายกับใจนะซึ่งอย่างเนี้ยจะสงบ ถ้าคุณทำไดถึงขังน้นนี้คุณจะสงบแม้ว่าป่วยเป็นมะเร็งต่ก็สงบได้แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นนี้ก็ได้เพราะอย่างตัวอย่างที่อาจารย์เล่ามา <c oughs> สําหรับตัวอย่างนี่นะก็คือว่าเมื่อกี้ไม่ได้เล่าที่นี่วนะ่าใชดใช้สติใช้สมาธิใช้สัทธานนะคือคนธรรมดาที่ไม่ที่เป็นผุุ้ชนเนี่ยก็สามารถรับใจใสงบได้รักษ า, าใจใสงบได้แม้ว่ากายจะป่วยแต่ถ้ามีปัญญาเห็นเนี่ยนะ เห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวเรามีแต่รูป ก, กับนามกายกับใจมั่งมันก็จะสงบดแดงคล้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพวกเราบอกว่าอยากให้สงบเนี่ยอยากเจอความสงบนะให้เรารู้ว่ามันมีสงบสองอย่างสงบเพราะไม่รู้กับสงบเพราะรูะ้พยายามพัฒนาจากสงบเพราะไม่รู้และการไปสงบเพราะรู้ให้ได้ พวกเราส่วนมากสมมุติไม่รู้เรื่องแนี้นานฝึกทุว ก, วกวันนะถ้าฝึกจลสติบ่อยๆเนี่ยก็ยจะดี อ, อตมาเนี่ยดูว่าตายนะบ่อยๆเนี่ ย, ยปีนี้เราหนึ่งครั้งจะต้องพาคนเนี่ยไปเดินธรรมยานตาเดินธรรมยานตานี่คล้ายๆทุ่งดงนะแต่ว่ามันมันเบากว่าทุ่งดงแล้วคนเดินเนย่ะไปเดินกลางแดด แล้วบางทีเนี่ยแนะนาให้ถอดรองเท้าด้วยปกติจะมาพาเดินจงกรมเนี่ยจะมาพาคนถอดรงเท้านะแล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้ว่าเนี่ยกายร้อนแต่ใจไม่ร้อนเนี่ยทำได้นะเหนื่อยแต่กายใจใจบกบางเนี่ยทำได้ <c oughs> คือคนที่อยู่ในวัดป่าเนี่ย <c oughs> ก็จะเจอแต่ความสงบ <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าใจก็สงบ แล้วก็หลงเพลินแล้วเออทำปฏิบัติดีแล้วอัตมาก็พาไปไปเดินกลางแดดเนี่ยไปนอนกลางทีก่กลางสายเนี่ยแล้วพายเขาเรียนรู้ว่าเขาจะรักษาใจสงบได้ไมแม้แต่จะร้อนไม่ถ่านแต่ไกลแม้ว่าเท้าจะปวด ก, ก็คือการฝึกให้เขาสงบเพราะรู้รู้ระหวางใช่ไหมเช่นเวลามั น, มนร้อนรอนกายมันเกิดความไม่พอใจเกิดความโมรู้ทัน พรู้เนี่ยใจจะสงบเวลาปวดเท้าเนี่ยนะทยังไงเนี่ยให้มันปวดแต่เท้าใจไม่ปวดก็ต้องใส่สติเพราะมีสติปุ๊บเนี่ยมันวางความปวดนะมันก็ใจก็สงบได้แม้เท้าเนี่ยแม้กายเนี่ยมันทุกข์แต่ใจงสงบก็ต้องฝูกเนี่ยคือฝุกจากของจริงฝึกจากการที่ไปเจอกับปัญหาเจอความยากลำบากแต่ว่าใจสงบมได้ไ อันก็มองนแง่หนึ่งคนที่เมืองไทยได้เปลี่ยนนะเพราะว่ามันมีเสียงเสียงดังจอดแกววุ่นวายที่จะเ ก, กดวิธีขจัดความกลัวทำยังไงอะคะเป็นคนที่ที่กลัวมากเลยกลางคืนไม่นอนคนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ผัผีกลัวทุกอย่างจริงจริงเนี่ยนะ กลัวเพราะไม่รู้ผู้เจ้าบอกนะว่าเวลากลัวอะไรนะ ก, กลัวในอิริยาบถไหนให้ไปใช้ใอ้ไปอยู่ในอิริยาบถนั้นให้ไปอยู่ตรงนั้นสมัยผู้เจ้าปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเร่กงกลัวผู้เจ้าที่กลัวนะกลัวเสียงดังกลัวอยู่ในป่ามืดๆเนี่ยนะ มีนกร้องตกใจทุกเจ้านะท่านทํายังไงท่านก็ไปบ่อยๆกลัวในอิรลียบทไหนอยู่ในอิเลียบทนั้นกลัวที่ไหนก็ไปอยู่ตรงนั้นสุดท้ายก็หายกลัวเ<อ>พราะว่าพอไปพอไปเนี่ยพอไปเจอบ่อยๆก็รู้ว่มันไม่มีอะไรอาตมาถึงบอกว่ากลัวเพราะไม่รู้เนี่ยพอพอรู้แล้วก็ไม่พอรู้ก็ไม่กลัวฮ อนั่นแหละคราวนี้เนี่ยอันนี้ก็ได้คุยกันไปแล้วเมื่อเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวานเรื่องกลัวเนี่ยได้ฟัง้วว่าให้รู้ทนความกลัวใช่หป้าไม่กลัวแต่กลัวกี่วความกลัวดูความกลัวให้รู้ทันความกลัวกลัวอะไรตกลงรู้ไหมกลัวตางที่ตัวเองไม่รู้ลักไม่รู้ต้องต้องหายได้กลัวอะไร กลัวผีกลัวผีกลัวผีนั่นก็เป็นความกลัวอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าลักษณะความกลัวไม่ได้ครับถ้ารู้สึกว่ารู้สึกกลัวความกลัวแต่ไม่รู้ถูกต้องกลัวเป็นอย่างไรครับ อ, อันนี้กลัวกลัวแหงแต่ไม่มีรู้รสึกว่า ไ, ไ, มไม่เป็นรู้ถูกต้องเป็นกัวีลักษณะไม่ได้ ลักษณะบอกไม่กลัวอะไรบอกไม่กลัวอะไรไม่เป็นไรก็ให้โอเคไม่รู้ว่ากลัวอะไรแต่ว่าให้เห็นความกลัวให้รู้ว่าความให้รู้ทนความกลัวเขาจะว่าเป็นอะไรคะเห็นแเนรู้สึกว่าเป็นู้ Okay. o k a e o y o k a e a y Okay. o y o k a n Okay. n g a y Okay. Okay. Okay. Okay. a y o y Okay. o i a y Okay. Okay. a y Okay. Okay. Okay. o a y o a Okay. a y o u r e o r i g h t e n e d a u t y o k c o a n t k e y o a l o y o l a r i f a y w h a y o t is. It's y o s t a l s a o in y Okay. a y o k a o k a Okay. Okay. o a y o k a o k a a o k o k a a a o u a y o Okay. o a o k y o k o k a o a k a y o k a o k y o k a a y a y o y Okay. a y Okay. o k a w a y e Okay. a t a y o k a a a o Fear or sorrow, just aware, simply aware, that will enable you to let go. You may not know that. What is the cause of anger? What is the cause of sorrow? What is the cause of fear? But just aware of such feelings. But, but sometimes cannot find the Then no, no. You, find help. Help. you don't need to find the cause. Do just aware such feeling. Mm -hmm. Just aware, mm -hmm. and once you aware, the process of letting go start. You know, as I, as I, as I, as we discussed yesterday, a child three, three years old. Yes. Yeah. You, you, you follow that discussion yesterday. Yeah. Yes, the <laughs> ผู้ป่วยท้ายแล้วนะพ่อของเด็กเนี่ยเด็กเด็กกลัวโปใช่ไหมพ่อเนี่ยอุ้มเด็กอยู่แต่เด็กกลัวโป๊ะพ่อก็ถามว่าลูกกลัวใช่ไหมกลัวมันเป็นยังไงกลัวนะหัวใจมันเต้นเร็วขนลูกนะแล้วอะไรอื่นล่ะมันเป็นยังไงสักพักเนี้ผมก็ว่าเด็กหายกลัวเด็กปล่อยเบือจาก พ่อแล้วก็ลงมาวิ่งเล่นในโป๊ะสิ่งที่พ่อทำคือทำให้เด็กเนี่ยรู้จักความกลัวรู้ทันความกลัวตรงนี้แหละเรียกว่าสติใช่ไหมความกลัวเนี่ยนะพอมันถูกรู้ทันเนี่ยมันก็จะหายไปความกลัวก็เหมือนกันโวรเนี่ยพอรู้ทันเนี่ยมันจะหายไป เพราะนั่นเนี่ยโอเคไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากลัวอะไรนะแต่ว่าเวลามันกลัวผีเนี่ยนะก็ให้ลองมีสติรู้ทันมันดูหรือถ้าคุณยังรู้ยังไม่มีสติวไยพอเนี่ยคุณก็ใช้สมาธิเอาจิตไปจดจ่ออยู่ที่สิ่งอื่นแทนเพราะว่าคุณกลัวเพราะความคิดคุณคิดถึงกลัวเมื่อคิดถึงกลัวใช่ไหมเมื่อคิดถึงเพื่อนถึงกลัวใช่ไหมแต่ถ้าใจไม่คิดถึงเพื่อนก็ไม่กลัวใช่ไหมอ่าก็เอาใจนี่ไปอยู่หลอกสวดมน เอาใจไปอยู่กับลมหายใจมันก็ช่วยหายกลัวได้วิธีนี้เรียกว่าสมาธิแต่ว่าถ้าใช้สติเนี่ยคือเอาสติเข้ามาดูดูเนี่ยหมายคราบว่าตระหนักรู้ว่ามันเกิดความกลัวขึ้นแต่อย่าไปจ้องมันมาจ้องมันเนี่ย ความกลัวมันจะครอบงำจิตไปเลยมันมาตอนไหนอ๋อไม่ได้ <c oughs> แค่รู้ทั น, นเฉยๆ <c oughs> แต่ใหม่ๆเนี่ยเอาแค่เอาใช้สมาธิดีกว่าสวดมนต์หรือไม่ก็ตามลมหายใจไปสวดมนต์แล้วก็แผ่ที่สงสวนให้เขาที่ผ่านมาจะเ็นเรื่องเดียวกันพอดีทำงานที่ว่าพักผ่อนชาราแล้วทีนี้เนี่ยจะทำงานอยู่ชั้น2แล้วก็จะไม่ค่อยลงมาชั้นล่าง การมียูครั้งนี้ต้องลงมาชั้นล่างแล้วตรงนั้นมันจะมีลิฟที่จะต้องส่งถึงปเป็นโล่ ส, ส่งอย่างเงี้ยแต่นเป็นช่วงจังหวะที่เราตอนที่ลงมาแล้วเขากำลังจะก่งผ่าตรงลิฟต์ั้นแล้วพอลงมางปุ๊บลิ้ท์มนเปิดจราการชอคเีแล้วมา บ, บโลสสองโลแล้วมีคนแตกร่าก็เลยมันงตงรีบรวรู้สึกกลัวตรง น, นั้นอาจจะนึกว่ากลัวอกลัวความตายมากกว่ากลวัวคนตาย ไปดูคนที่อยู่ในคนแก่ได้อยู่เราไปได้แต่ว่ารางเนี่ยาจะเปิเปดตดชอ็อไม่ถึงตั้งหลับ <c oughs> แผลไม่ตาแผลไม่ตาเข้าไปแผไม่ตา <c oughs> นะ <c oughs> เพราะว่าเราเรามาดีเรามาช่วยเขา <c oughs> ใช่ <c oughs> ทำใจให้เป็นกุศล <c oughs> เอาพลังบวกเข้ามาเ <c oughs> ข้ามาไอาความกลัวเป็นพลังลบนะคุณเอาพลังบวก หรือว่ากุศลธรรมเนี่ยกุศลจิตเนี่ยเข้ามาเข้ามาทดแทนเข้ามาขับไล่เอากุศลจิตออกไป้จเป็นหวยจะชิลงศพฝรัง่งน่าดูกับลงศพไทยเ <c oughs> ออยาาเะอะลงกศกเอองศพฝรั่งนี่น่ากลัวน้อยกว่าลงศพไทยลงศพไทย นะ่าดูหน้ากลัว ก, กว่าถ้ตต า, า, า, าตามานแนะนำนะั้นย้ายจะะะเจริญสติก่อนแต่สติกับสมาธิก็ไม่ได้ไกลกันนะพราะคุณมีสติคุณจะมีสมาธิได้สติปฐานสี่เนี่ยที่พระเจ้าสอนเนี่ยแนะนําเนี่ยก็เพื่อให้เกิดสมาธิด้วยอ่า ให้ดูให้ดูชั้นให้ดูให้รู้ลมหายใจแต่อย่าถึงกับไปให้ติดให้่ถึงกับทําให้ติดมันแน่แน่นอยู่กับลมหายใจมันจะกลายเป็นสมาธิที่อาจจะขาดสติได้<ม>เคยไหมเวลานั่งสมาธิดีนะพอกว่าเสียงโทรศัพท์ดังฟ้าผ่าตกใจ น, นะถ้าไม่เคยก็กดีแล้วนะแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นกแสดงว่ามีมีสมาธิไม่มีสติ ดีแล้วแคมเวลาทำอะไรก็ให้มีสมาธิให้มีสติด้วยคิดข้าวอาบน้ำล้างหน้าผูฟันซักผ้ากวาดบ้านให้ให้มีสติตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นให้ถือหลักอันนี้ไว้สติมันจะงองงาม ไอเลนวันนี้ม in <re ันบ้ามันเลย่นตั้งแต่เช้าทุกปี ก็ถอดยนกได้เยาหลัง้างหข้างหงข้งหลางาล้าางหล้้ล้าาาางัาาาาลัาลาาัั้ล้าาางัหาัง้้ัล ลูกจ่ะนี่ก็ได้เลยเนี่ยฮะกระดาทำอะไรเนี่ยเพื่ อ, อ, อมีอะไรจดเนไคะพระอาจารย์ท่าไม่จะเลยก็ อล้วไปไนเนี่ยเราดีครับไปไหนกํลัอาจารย์ก็ได้แบตเตอรี่เยอะแต่พอกลับไปบ้านถ้าแบตเตอรี่หมดก็จะได้เอามาอ่านอยู่เลยนะคะก็ u t ท b e ก็ได้เยอะ YouTube ดูได้แต่ว่ามีปัญหาถามพระอาจารย์ไม่ได้ไปถามที่ f a c e b o o ถาม่เฟซบุ๊กอ่ะตอบเฟซบุ๊กอกตอนนี้ยังตอบอยู่เลยนี่ยังตอบไม่เสร็จเลย เอาใช่เนี่ยเป็นการทำที่นายกำล่ะจะยกไปหมดเอาเป็นหลังผู้พยาบาลจะเป็นอาจารย์เตรียมตัวอยู่กับความตายป้าจย์ร่างกายให้ทางลุงพยาบาลหมดเป็นอาจารย์ใหญ่คนไทยเหรอัเอามีอะไรจะสนทนาไหมคุยคุย เรื่องอยู่ดีตายดีก็ได้ทั้งนั้นเมือ่อวานลูกสาวถามว่าเอาพายอาจารย์ย้ำอยู่เนาะมาบีบาบสติคืออะไรเอ็นพายอาจารย์พูดบ่อยบ้ากเลยมาบีสติคืออะไระถามอาจารย์เองนะลูก <c oughs> สติ ม, นะมันสติแปลว่าความระลึกได้หน้าที่ของสติอคือความระลึกได้นะยกตัวอย่างเช่นกลับบ้านเนี่ยคุณ รู้ว่าจะขับขับรถถนนไปที่ถนนไหนใช่ไหมหรือว่าเนี่ยคุณไปเนี่ยคุณจําได้ว่าขับจอดรถไว้ที่ไหนวางรองเท้าไว้ที่ไหนนั่นคือสติหน้าที่ของสติแรกคือระลึกได้สองหน้าที่ของสติคือว่าทําให้จิดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แสดงว่าสติอันแรกก็คือว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วใช่ r e c o l l c t i o n ภาษาอังกฤษคนเรียกว่า r e c o l l c t i o n ใช่ไหม recall ก็ได้ซึ่งร<อ><ด>วมถึงว่าเวลาคุณสวดมนต์หรือตั้งสมาธิรละใจคุณลอยเสแลาสติเราลึกได้ว่าเออกำลังนั่งสมาธิอยู่นะสติก็พาจิตคุณกลับมาสองสติทำให้ช่วยให้จิตดูกับปัจจุบันได้คือสติอยู่กับปัจจุบัน สติช่วยให้จิตอยู่กับปัจจุบันเช่นคุณทําอะไรอยู่คุณกําลังฟังคุณกําลังอาบน้าําคุณกาลังอ่านหนังสือคุณกาลังทํางานสติก็ทําให้คุณเนี่ยทำจิตอยู่กับสิ่งนั้นได้เนี่นสติเนี่ยในแง่นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องถึงทำให้ระลึกถึงอดีต 2. ทําให้คุณอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าความหมายของจริงๆสติคือทําให้จิตกำช่วยกํากับจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นี่คือหน้าที่ของสติโดยตรงกำกับจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปรถกลิ่นเสียงหรือว่างานการแล้วความตแตกต่างอย่างกับสัมปัญญปชัญะสัมปชัญะความรู้ตัวความรู้ตัวก็คือต้องมีสติมาคยวมันถึงจะมีสัมปชัญะต่อใช่ใชสติความรู้ได้สัมปัชัญะคือรู้ตัวสติทาให้จิตกลับอยู่กับเนื้อกับตัวส ต, สติจิตมันวิ่งวิ่งไปวิ่งวิ่งมาไหมร่อนเล่ใช่ไหม สติดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมือ่อจิตอยู่นเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นแล้วที่เราจะต้องอยู่จริงๆก็คืออยู่กับสัมปชัญญะสั ป, ปชัญญะเนี่ปปนยถ้าเราไม่ตังสติมันดึงกลับมาทำให้รู้สึกตัวใช่ความรู้ตัวความรู้ตัวใช่เพราะรู้ตัวแล้วเนี่ยทำให้คุณทำอะไรต่างๆได้ถูกต้องขับรถก็พาไปถึงเป้าหมายอย่างที่อามาเล่าเมื่อเช้าไปส่งพระเนี่ยนะพอไม่มีความรู้สึกตัวนะ เผลอปุ๊บเดียวมันเลี้ยกเข้าบ้านแ ล, แลใช่ไหมไม่ได้ไปส่งพ้าที่วั ด, ดพูดเดี๋ยวน ะ, ะ เ, ขเขาเ้าขาดสัพพัญญาแล้วใช่แล้วเ็าไม่มีสติด้วยคือคื อ, คอ ท, าทางทางธรรมเนี่ยนะบางทีเราเรียกเราเรียกเราเรียกรวมกันเลยว่าสติหรือความรู้ตัวเราเรียกใช้แทนกันได้เพราะตอนนั้นเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยกลังขับรถนี่นะ ใจอยพอใจลอยเห็นเห็นซอยเห็นถนนเนี่ยที่เลี้ยวเป็นประจำอัตโนมัติเลยมันก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเพราะเป็นเป็นถนนที่เลี้ยวเข้าบ้านเป็นประจำใช่ไหมตอนนั้นมันไม่ไม่มีรู้ไม่รู้ตัวไม่มีสติแล้วพอไม่มีสตินะในความหมายที่ลืมตัวนะ มันก็ทำให้ลืมอะไรก็ได้ต้องระวังมันมีมันมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นนายกเทศมนตรีเวลาไปทำงานทุกเช้าเนี่ย เ, เพื่อนบ้านก็จะติดรถไปด้วย เ, เพื่อไปส่งลูกอายุประมาณสามขวบปไปเนสซรี่ซึ่งอยู่ติดกับเทศบาลใช่ไหมเป็นนิสประจำวันหนึ่งเนี่ยแม่ไม่ว่างก็บอกให้ก็ฝากลูกเอาไว้ ที่บาะหลังบอกว่าช่วยไปส่งที่นสอรี่นะเทสนายททสมนติก็รับปากวันนั้นเนี่ยเพอเนี่ยมันมีประชุมที่เทศบาลแกคงจะรถอาจจะเตดเลืออะไรสักอย่างนะทำให้มันไปช้าพอถึงเทศบาลนึงเทศมนตรีเทศบาลเนี่ยแกก็รีบจอดรถเสร็จแกก็รีบลงจากรถแล้วก็รีบขึ้นไปประชุม ประชุมเสร็จถึงบ่ายแกก็ทำงานต่อทำงานต่ อ, ตอสี่ห้าโมงเย็นก็เลยก็เลิกลงมาก็ขึ้นรถขับรถไปได้สักพักมองกระจกหลังอ้าวเห็นเด็กอยู่เด็กอยู่บนรถเนี่ยตั้งแต่เก้าโมงถึงห้าโมงเย็นที่จรถล่มหรือเปล่าไม่ลมไตายโอที่เด็กตายที่ลงนักเสกคุณโอ้โอโอแบบนี้มีเยอะมากนะ ลดโรงเรียนก็เหมือนกันลดโรงเรียนใช่ไหมแต่โรงเรียนเนี่ยคือคล้ายว่าหาเด็กไม่เจอว่าเด็กมันหลับไงแต่คราวนี้เนี่ยลืมเพราะว่าตอนที่ขับรถเนี่ยนะใจลอยนึกถึงประชุมประชุมประชุมแล้วยิ่งประชุมช้ายิงย่งยิ่งไปสายไหมยิ่งต้องรีบนะนี่บางลายแม่เนี่ยนะแม่เนี่ยป ก, กติมีเด็กมีเด็กมีคนมีพี่เลี้ยงดูแลเด็กแต่วันนั้นเนี่ย มันเป็นเสาอาทิตย์มั้งไม่มีพี่เลี้ยงเราะงั้นแม่จะไปจะไปชอปปิ้งแม่ก็ต้องเอาลูกติดรถไปด้วยใช่ไหมนนก็มันมีงานน่ยจะมีเลี้ยงอ่ะมีงานเลี้ยงก็ต้องไปชอปปิ้งไปซื้อของชอปปิ้งลิสต์เต็มไปหมดเลยไปถึงห้าสต็อสินค้าใคล้ายเดอะมอที่จอดรถมันกว่างนจอรถเสร็จก็รีบไปเลยรีบลงจากรถไปซื้อของเป็นชั่วโมง กลัมาตกใจให้ลูกอยู่หลังรถตายนะคือแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากเนี่ยเพราะว่าเรียกว่าคนขับรถเนี่ยหรือพ่อหรือแม่เนี่ยไม่มีไม่ไม่ก็เรื่อไม่มีสติเนยใจลอยเนะี่ยขับรถอยู่ใช่ไหมแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันโน่นใจไปถึงไปไปที่ช้อปปิ้งแล้วใจไปข้างหน้าใช่ไหมเพราะนี่การอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากเลยนะ เพราะว่าถ้าอยู่ปัจจุบันนี่นะจะไม่ลืมเด็กหรอกนะเะนี่เราต้องเรื่องฮะจริงจริงก็มันไม่ใช่เป็นเป็นไม่ใช่เป็นสิที่ทำทุกวันเนี<ะ>ก็ปกติเนี่ยลูกมีพี่เลี้ยงดูแล่แต่วันนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยไม่มีพี่เลี้ยงก็ต้องจะทิ้งลูกไว้ที่บ้านเหรอ ถ, ถ้าเป็เร า, าคือลูกคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะบื่ได้ใช่แต่ว่าใจลอยเนี่ยโหมันต้องรีบต้องรีบทําเวลาแล้วเขาอยู่ได้ไหมแค่เนี้ยพ่อเขาเป็นยังไงก็ต้องแจก็ไม่รู้นะแต่อัตมาเนี่ยได้ยินเรื่องนี้บ่อยมากลดโ ร, รงเรียนอีกอย่างหนึ่งรดโรงเรียนทิททท้งเด็กเป็นประจําไม่เป็นประจําแต่ว่าเกิดขึ้นบ่อยปีละสามสี่ครั้งเท่าที่เป็นข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสติสําคัญมาก อ า, าจารย์ครับตายหนึ่งเรารู้ว่าเราต้องตายคือความตายถูกกำหนดแล้วเรารับได้ในขณะที่เรารับได้เนี่ยแต่เราก็กลัวกลัวอะไรมันเกี่วกับว่าเราจะตายจะไปไหนอะไรอย่างนี้หรือสาลายจริงหรือเปล่าอะไรต่แล้วก็มีอีกอย่างคือตายที่การตายกำหนดแล้วแต่เราไม่ยอมรับ คือมีเพื่อนคนหรู้ว่าต้องแต่งแน่แต่เขาไม่อยอครับเราควรจะทำยังไงกับเขาหรือถ้าเขายอมรับแล้วเราควรจะอยู่กับเขาอย่งต้องดูก่อนว่าเขาไม่ยอมรับเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยห่วงลูกบางคนห่วงทรัพย์สมบัติไอ้ทสมบัติอ่ไอ้เรื่องไม่ยอมตายอ่านี่คนแก่พวกนี้บางคนกลัวว่าจะไปไม่ดีไปนรกนี่เราเราต้องบอกเขาว่าไงเขาไม่เชื่อเลยเรื่องทรัพย์สมบัติเหรอเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าปู่นามาแค่ตายลูกคก็มาตาย ไม่ไใช้ใช้ไม่ได้คะซื้อจาแก้ตามาไมตรสามแนไม่ไปเจ้าเจ้้านนี้เดว่าเออเปยไถืว่าช่วงที่เราจะบอกเขาเากลังไม่ได้เขาโทรศัพท์รอบโลกเลยนะค่ะคือก็บอกเขาว่าทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยนะถ้าถ้าวันนี้วาง วันหน้าก็จะไปพบก็จะมีในในรมหน้านะอ๋อถ้าไม่เชื่อก็ลำบากแล้วแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยมันก็ต้องมีอุบายในการที่จะเผือเขาให้เขารู้ว่าเนี่ยเขาก็หวงทรัพย์ก็ว่าข้างหน้ามีทรัพย์ที่มากมายรอเขาอยู่ใช่พระอาจารย์นะแล้ว ก็อเองต้องสร้างสเหมือนกับบรเตียมร้อมทีตายบอกว่าโดยตหรือทุกคนบอกว่าเออเป็นตายแน่วาก็ตา ย, ายวะ ต, ต, ตอนตายนี่คือฝันไหมเมือคืนที่เราฝันตกนตกลุมตุยหนอนจอกลาอะไรเงี้ยแล้วเราต้องฝันอย่างนี้ต่อหรือเปล่ากันตา่ <c oughs> างหาทำกิจให้ <c oughs> เป็นกุศลแล้วนะ okay. เวลาต่อมา เวลาตมาแนแนะนำสมล้ตายเนี่ยจริงจริงก็เป็นคำสอนผู้เจ้าถ้าผู้เจ้ายอนะหนึ่งนึถึงพระสองละทุกสิ่งสองข้อนี้นะใช้ได้กับ99เปอร์เซ็นต์ึกถึงพระเนี่ยหมายถึงว่านึกถึงสิ่งที่เข า, าศ ร, รถถัทธารักษาพระรัตนกรัยพระเจ้าพระอันเลาะก็ไม่ควรอิ่มบอกว่าบอกเขาว่านะ เราก็บอกเขาเนี่ยให้เขาช่วยสร้างบรรยากาศที่มันเอื้อให้เราได้ถึงพระแล้วก็ช่วยนะไม่พูดด้วยไม่เห่อพูดด้วยเออพี่ข้นเนี่ยบางทีอาจะอ๋อมาได้ก็ก็ต้องให้ญาติให้ลูกหลาน เขามามาฟังเรื่องนี้มาดีเรื่องนี้เขาจะได้นำถูเวลาเราจะไปใช่ไหมเขาก็ให้เราไึกถึงพระให้เขาจะพูดถึงความดีของเราให้เราเรื่ความดีของเราเรืถึงพระนีลลงเรื่องทำความดีที่เราทํำนะเพราะว่าพอเราทําความดีเนี่ยกิจการ จ, จะเป็นกุศลเราจะปูวตายน้อยลงผู้เจ้าบอกว่าบุญย่อมทําให้เกิดสิง่งใวลาสิน้นชีวิต บุญย้นทาให้เกิดสุนาซึ่งชีวิตเมื่อเราได้ทาบุญแล้วเนี่ยมีคนพูดให้เราเรรู้ถึบุญที่เราได้ทาจิตใจเราจะชื่นเชื่อบะบมามันน้่ไม่งนน้ไม่น้อยหรอกบุญในที่นี้เนี่ยไม่ได้ทากับพระเท่านั้นนะความดีเพื่อาทความดีที่เราทําป็นลูกฮะแม่บอกว่าเอาไปฆ่าไปวเข้ทุกวันแต่มันรู้ว่าไปก็อยู่กับพระตลอด นั้นแหละทำดีทำดีกับลูกทําดีทําดีบุญนี่มนี่ยแปลว่าทำกับพระทำกับใครก็เป็นความดีนะทำกับลูกทํากับเพื่อนบ้านทํากับพ่อแม่ทํากับาทํกับสามีทํากับพี่น้องทํากับประเทศชาติเนี่ยนึกถึงไว้เถอจิตใจจะช่างชื่นมีบางคนเนี่ยจะตายแล้วนะนี่ภาคใต้นะเพื่อนบ้านก็มาร้องเพลงข่าหลวง รู้สึกดีขึ้นเลยรู้สึกว่าอู่ามชื่นเนพ่ออะไรพ่พเธอคนเอาเพลงข้าน้ำมืนเนี่ยไปร้องในตำบลของเธอที่ภาคใต้สุรารู้สึกภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนเอาเพลงเนี่ไปเผยแพ่พอมีพอมีเพื่อนบ้านเนี่ยมาร้องเพลงข้าน้ำมืนเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจใช่ไหมไอความภาคภูมิใจมันก็ทําให้ตายดีนะ เ, นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าต้องต้อ ง, ต, องต้องทาบุญกับใต้านเดีย นี่ถึงพระแล้วก็รัทุกสิ่งทำสองอย่างนียวไว้เพื่อเราไปแนะนาใครเนี่ยนะตอนนี้เขาบอกไม่ตายลยังไงก็ต้องตายอ่ะแต่เรารู้ว่าอะไรานะอาจารย์ลแลไตาีกลัว่กผ่าตายเราช่วยทำด้วย2องประโยคแค่นี้ที่เนี่ยพี่นึกถึงพระกทุกสิ่งเนี่ยคือกลัวตายเนี่ยร ต้องถามเขาว่ากลวตายเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้กลัวตายที่เป็นความตายแต่หมายถึงว่าไม่อยากพัดพลาดยังห่วงลูกยังห่วงหลานยังห่วงทรัพย์สมบัติยังห่วงงานใช่ไหมหรือไม่อีกประเภทหนึง่งกลัวว่จะไปกลัวว่าจะไปนรกลววล ก, กลัวจะไปอบายใช่ไหมอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องทิ้งไว้ข้างหลังใช่ไหมไม่อยากทิ้งสิ่งยังห่วงสิ่งที่อยู่ข้างหลัง อีกอันหนคือยังกลัวสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันไม่ใช่ปัจจุบันนั่นแหะส่วนใหญ่นะตัวตายมันไม่ได้เป็นเพราะว่าใจามันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมันไม่อยู่กับอดีตอนาคตามตายไม่กลัวแต่กกลัวก่อนตายนี่กลัวเจ็บจัค่ะกลัวทรมานก่อนตายอ๋อไม่้กลัวหรอกเพราะว่าพอพอจะตา ย, ยารนะจริงนะความความเจ็บปวดจะหายไปจริงเลยจรูง คือนเหมือนจะไปแต่ไม่ไปแล้วเห็นเาทรนทุลายเจ็บก่อนจะไปนะเหมือนรภาพมติดตาแต่ความตายแไม่ปวดคือมีหลายๆเนี่ยทุรนทุลายนะกอดถามไปจริงๆนะมันทุกข์ใจห่วงลูกห่วงงานห่วงห่วงทรัพย์สมบัติคืออาจอาายึงย้ำอยู่เสมอว่าคนเวลาทุกข์กายคนเวลาทุกเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าแม้เขาปวดกายนะเออเ้ามีห่วง หลายคนเออทุนทุน ล, ทนลา ย, ชยาใช่ก็มี ม, มีคืออาตมาทำงานกับผลใกล้ตายตาเยอะ <c oughs> แล้วก็เพราะว่าคนหลายคนที่ทุนลนทุนลายเนี่ย <c oughs> แม้จะให้ให้ยาระงับปวดไปให้มอฟีนไปก็ได้ผลแค่15บนาทีแล้วก็ดิน้นให<ช>ม่ฮะไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นทีใ<ช>่ใจคือคนที่คนที่มีความทุกข์ใจนี่นะจะมีอาการอยู่3ามสี่อย่างเวลาใกล้ตายหกระสับกระส่ายทุลนทุลาย สองตาเปิดสองตาเปิดสตาเปิดไม่ยอมตายที่นั่งที่สัญญาณชี้ร่างกายยังตาวยังต่างามันแย่แล้วยังตาเปิดนะข้อที่สองนะข้อที่สคือว่ า, าสมมุติว่าถ้าเป็นโค ม, ม่านะมีอะไรมากระทบแล้วน้ำตาไหลเช่นมีแม่มาหามีลูกมาหาแล้วน้ำตาไหลนะอีกประเภทนึงคือพวกกัดเกลีกยว ก, กรดเกลียวอะโลว่าพวกนี้นะไอพวกนี้นะมันไม่ใช่ปวนนะสาไปจริงๆนะ เป็นเพราะมีความทุกข์ใจ <ce lebr 2> <c oughs> และ้วตะมาเนี่ยเนี่ยอย่างเนี่ยที่มันเวลาเกิดขึ้นนะให้เราให้เราตั้งข้อสัญญาณว่ามันมีมันมีมในใจหน้าที่ของ <c oughs> คุณก็คือว่าสาหายได้ว่ามันคืออะไรแล้วคุณก็ช่วยแก้ตรงนะั้น <c oughs> แต่ที่จริงถ้าจะตจริงๆไม่ไม่ไมไมไมไมรมานไม่เ็บม่วปว moment สุดท้ายนะมเม e ต์สุดท้ายจะไปถึงเครื่องชั่วโมงสุดท้าย ห่ชั่วโมงสุดท้ายหรือว่าสิบ้านาทีสุดท้ายจะไม่ปวดค่ราท่าใจมากเลยจะถามําสุภาษิตโบราณว่าขาวขก็มีดาสูงก็มีต่ำแล้วทีนี้ถามอยากอยากถามว่ามันจริงมสุภาษิตโบราณไม่ได้เรขเพาเอาด้วกนไม่ได้ออได้วยหนเอาสาอยากจะถามว่ามีจริงไหมถ้าคุณใสนะ่เนี่ย อุลสายออทำไมช่วมีจริงนะมีจริงแต่ว่าไอ้ที่พูดพูดกันเนี่ยหมือนกัเข้าทรงกันเนี่ยร้อยพูดกันเนี่ย้อยคนเนี่ยของจริงอ่ะแค่10คนนะทรงเจ้านี่นะของจริงกั10คนกามีขาวก็ต้องมีดำใช่ไหมถ้ามีสูงก็ต้องมีต่ำมีแต่ว่าอุลสายนี่ นีคือบางอของทั่ว้ายเนี่ยแล้วของดีก็คือพกคุณต้าเราใช่ไคะแต่วทงะ้าวคืวสัตว์ใช่ไหีสายมันแปลว่าสายมันแปลว่าเสื่อมแปลว่าต่ำสายดำเออสายขาวใช่คะไม่้เูโดไม่ได้มันมีสายแล้วไม่ดีแล้วก็คือแบบขาใจเยจปะยกะถาาใจ สาเป็นตรงข้ามกับพุทธพุทธแปลว่าพููรู้สายแปลว่าหลงหลงง่ายเสื่อมพุทธสายตรงข้ามกับสายอาแต่สก็มีทั้งขาวและดำก็จริงใช่ขาวและดำใช่สายขาวก็เช่นว่าเออพวกอย่างเช่นหลวงพ่อเนี่ยนะทั้งแท่วั่วมงคลเก็บเอาไว้จะช่วย ให้แค่วคลาดแต่ว่าต้องทำความดีเห็นไหมต้องรักษาศีลอันนี้เราใส่ขาวใส่ดำก็คือไปไปทำให้ทำสเสน่ห์ยาแฝดยาแฝดจริงไม่เข้าอะไรต่างเนี่ยนะพวกนี้มีจริงแต่ว่าไอาที่โฆษณากันเนี่ยโกหกซะเยอะข้อจ่าย่ังงั้นยังงั้นวิญญาณมีจริง วิญญาณเนี่ยแปลว่าอะไรวิญญาณแปลว่าการรับรู้หมายถึงว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยต้องมีอ๋อนก็เชื่อมีจริงหม่ถึงว่าเป็นคําถามที่ถามกันมากก็คือว่าตายแล้วไปไหนจะเป็นพวกยิญญาร่อนหรือพวกที่ว่าเขาทําทีแบดีแล้วก็ไปสุขสุขติบางที่แบบว่าเราเคยแบบว่าเหมือนว่าแผลเมตตาหรือทําบุญกวดน้ํำอะไรเงี้ย ะจะถามว่าตายแล้วไปไหนขาตายแล้วไปไนอ๋อก็แต่เหตุปัจจัยนะคถ้าปัจจนะัยนั้นเป็นปัจจัยที่ดีก็ไปสุกเตถ้าปัจจัยไม่ดีก็ไปทุกขติแต่ว่าวิญญาณมีจริงเพราะเหตุวิญญาณคือทุกขณะที่เวลาคุณได้ยินทเทตมาพูดเนี่ยนั่นคือโสอตวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเวลาคุณเดินผ่านเมื่อเช้าเนี่ยเวลาเดินผ่านเดินผ่าน เดินผ่านเสียงจิ้งเรียนะ่ะบางคนไม่ได้ยินจะิ้งเรียน่ะนั่นแปลว่าสตาวิญญาณไม่เกิดเข้าใจไหมเวลาคุณดูไอไอโยนโยนพนะัสเกตบอลน่ะแล้วก็มีตัว walking แบ a โค้งเนี่ยและหลายคนไม่เห็นเนี่ยนันแปลว่าวิญญาณไม่เกิดก็เลยไม่รับรู้ก็เลยไม่เห็นวิญญาณในที่นี้แปลว่าการรับรู้การ รับรู้อารมณ์แต่ว่าิญญาณที่ทุกคนรู้ถ้าพูดถึงวิญญาณที่ไม่จริงหรือเปล่านะวิญญาณที่เป็นดวงดวงนั่นเหรออันนั้นเนี่ยไม่อะไรอย่างนี้นี่คือคถามเรเขาค่ะีสางเหรอโนีหลอกไม้มีผีจริงหรือเปล่าอลายได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้แต่พอแม่ไม่เคยเจอนะแต่อาจารย์จะพูแล้วลาทุกสิ่งนี่คือ ยกตัวอย่างมามันมีอะไรบ้างคะที่ต้องละทุกสิ่งก่อนเราตายรับทรัพย์สมบัติลูกเมียงานการหความงานการสมบัติความรู้สึกผิดความโกรธแล้วก็ร่างกายนี้ปล่อยวางให้หมดละโลกนี้ไปเลย ละโลงนี้ไปเลยปล่อยวางปล่อยวางโล่งเลแล้วอาจารย์ขอกลับมาดูความตายเขาบอกว่าถ้าเราฝึกสติสมาธิพอถึงเวลาที่เราจะตายจริงๆเนี่ยเป็นไปได้ไหคะว่เราจะสามารถกลับไปจิตของเราที่ยั่งยืนเป็นไปได้ว่าความเจ็บยาปวดจะเข้ามาองเราจะราไม่สามารถมีสติที่จะทําสมาธิอีกตอไปนนี้ต้องฝึกสติเอาไว้เพื่อจะได้จะได้ป่วยปวดแต่กายใจไม่ปวด จะได้ไม่ไปยึดติดความปวดแต่ถ้ามันปวดมากเราจะทำได้ทําได้ทําได้ก็เมื่อเมื่อกลุ่มที่เล่าทำไมยังเล่าเลยมีคนแก่ปวดจนมะเร็งมากนะปวดที่ท้องอะมะเร็งลาไส้ยาก็เอาไม่อยู่และตอนที่กำลังทรมานอยู่เนี่ยแกก็ลึกขึ้นมาได้ว่าเคยจึงมสติแล้วก็ ขสานแก น, นสติเอาติดเอาไว้ที่หัวไหลมาดูกายที่ปวดท้องยังปวดอยู่แต่ใจสงบแล้วภาษาชาวบ้านเรียกแยกกายจากจากกาแต่พอไม่มีสติจิตก็ไปโลกกายก็พลานพลานไปพอมีสติ ด, ดึงจิตออกมาใจก็สงบท้องปวดอยู่นะแต่ใจสงบ ทำได้นะการจะถา่อไม่เข้าใจอย่างนึงเคยอ่านหนังสือของหลวงปู่ดุลวงปู่าบอกว่าก่อนจะท่านมรณภาพมีพระองค์ไปคุยกับท่านที่่านถามว่าปวดไหมท่านบอกว่าปวดแต่ไม่เอาหมายความว่าไงเจ้าคะก่อแตายก่อนมรณภาพท่านบอกรว่าปวดแต่ท่านไม่เอา โอ้ยไม่อันนี้ไม่ใช่คือคนถามแค่ว่าตอนท่านย่งปกติถามว่าท่านโกรธไหมหนูมีโกรธไหมท่ากบอกนี้แต่ไม่เอาถ้าไม่เอานี่คือต้องล้วงลึกเข้าไปในความโกรธก็เหมือนกับบอกว่าก็เหมือนกับเด็กเที่เที่ยเมื่อชาติอัตมัติเล่าตัวอย่างหลืงพ่อประสงค์อะถามว่าหนูเห็นข้างนั้นมันดีใจค่ะก็คือเห็นมันดีใจ แต่ว่าไม่ได้เอาไม่ได้ยึดในความดีใจว่าเป็นเราเป็นของเราเด็กคนนั้นอ่ะก็เห็นนะถามว่าเด็กเด็กคนนั้นมีความดีใจแต่ไม่เอาใช่ไเออเห็นแต่ไม่เป็นผู้ง่ายเห็นแต่ไม่เข้าไปเป็นเพรนเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องร้ายถ้าสมมติว่าคุณ เห็นแต่ไม่เอาโกรธไม่ใช่ปัญหานะถ้าคุณมีแต่ไม่เอาทยังตาเเกิทุกคน็ีฉัน้ิะถ้าอไม่กอฉันเอก็ิดแล้วเราคิด เขาไปแล้วตัดสินที่เราไม่ได้รู้จักเข้กนนะคะเราการจับจุดพาร์ทีมนีมากเลยโดเฉพาะพเราที่เราคุยสปวนัวเฉชีวิตเลยทาอะไรก็ส่วนตัามันสคัญเพราะเขเปลนคเราสำคัญขึ้นมาเรา้องรบอบเอก็จะมีหัวใะคะอันที่เรามีมานะ มันซ้อนๆในจิตจิตลึกๆของเราอาจริงก็คนหนึ่งลนะคือไม่ชวนเจ้าเกิงานมนเกิดงนแเพื่อเราสนิทกันก็ไม่จบเราอกอันนี้คือควาอย่างนออันนี้คือยากที่สุดสหรับตัวแลควจะทุกไหมล่ะมันทำไม่ได้ทได้อมันคิดได้แต่ใจนี่มันจะ้เอาความที่มันแบบว่าว่าแบ คือเตือนเราว่าเอย่างีอาจารย์อาจารย์ถาว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์้ยเวลาเราทุกข์เพราะว่าาไม่เชเรานะหรอเตือเราวกูไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์ด้วยใช่หแล้วก็มองให้ดีเนี่ยนะต้องหัวเรายอมไปเพราะไอตัวที่ทุกข์นะไม่ใช่เราตัวที่ทุกข์คือกิเลสที่หลตาใช่ควันทุกข์ไปเลยเราจะไปเดือดร้อนกับมันทำไมเราอยาเอาความ อย่าเอาความทุกขของกิเลสเป็นความทุกขของเราใช่ไหมเอาความทุกข์กิเลสมาเป็นความทุกขของเราได้ยังไงกิเลสมันนั่นในความทุกข์มันน่าเอาไหสติไงสติใช่ครับลอคิดวางกันบุ้แล yeah, no ้วเข้าไปทแบบนี้แหวะถ้าเวลาทำบ่อยมันจะวางได้มันจะวางได้ได้ได้ยาวขึ้นเพราะนั่นน่อย่าเอาความทุกขของกิเลสมาเป็นของเราเลยนะจัไป่กิเลมันดิ้นไปกิเลสมันดิ้นไปเลย เราจะไปดิ้งกันมาทำได้ทำได้ต่อไปทำเรื่อยๆอาจารย์เคยตวดกิเลสไหมเ้าคะต้องวดตวดเพราะงทีแบบน้ำมจริงๆตวดใส่นี้ใช่ม้คะตัดใส่ตัวกิเลสตัไม่เชื่อมงวย ตอนี้เขา20แล้วแล้วเขาจะไปเรียนต่ออเมริกาเขาอยากบวชนะคะแต่จะกลับไปบวชที่เมืองไทยแต่ปัญหาที่อยู่ว่าเขาเขียนภาษาไทยไม่ได้เาจําเป็นจะต้องเรียนภาษาไทยไหมคะตอนนี้บวชใช่ไหมบวชไม่เกี่ยวกับเรียนภาษาไทยไม่จําเป็นต้องเรียนภาษาจำเป็แนะะแต่ขอ